ที่พึ่งนั้นเขารู้ว่าเราเป็นนาบุญเราเป็นคนที่จะต้องนะเป็นอะไรละสังสังสังเนี่ยมีอะไรเป็นผู้ที่ควรอ า, าหุเนย อ, อาหุเนออยยบุคคลตักเคนเนยเยบุคคลอาหุเนออยเยบคุคคลเป็นคนที่ควรได้รับของทาน ทักคินเนอยู่บุคคลเป็นคนที่ควรได้รับการให้ควรได้รับของทานเป็นคนที่ได้รับควรได้รับการให้และเราก็จะรู้ว่าเออคนนี้เราควรให้คนนี้เราควรคนต้องรีไว้เลี้ยงไว้สิ่งที่เป็นปัจจัยสิ่งที่ท่านต้องการสิ่งที่ท่านเอาไปเป็นเอาไปสําหรับท่านเนี่ยไม่ถ้าเป็นตัวสําหรับท่านให้ท่านไปเนี่ยมันจะไปเป็นนาบุญมันจะไปเป็นเครื่องงอกเป็นเหตุปัจจัยที่จะยิ่งงอก เป็นประโยชน์ต่อมวลมนุษยชาติต่ออะไรต่ออีกแม่งอกริงกว่าตอนนี้ที่ศรีสะอศกกำลังทำจุลินทรีชั้นหนึ่งเลยหนึ่งแคปซูลเท่านั้นเองหนึ่งไร่ออหัตมาก็ยังนึกอยู่เลยว่าแมอันนี้ถ้าทำเสร็จแล้วโลคแตกเลยเนี่ยเอาจิง เขาตั้งใมั่นใจนะนี่ทดลองกันทดสอบกันอยู่ตอนนี้ก็กำลังกำลังพิสูจน์ยืนยันยืนหยัดกำลังพิสูจน์อยู่นี่ยกำลังปลูกกำลังทำอะไรต่ออยู่เนี่ยกำลังทดสอบกันอยู่ตอนเนี้ยทดสอบกันอยู่เนี่ยถ้ามันได้อย่างนี้จริงๆแล้วก็โอ้โหคุณภาพทั้งเบาทั้งสะดวกทั้งคุณพิเศษอ่า หนึ่งไร่นาหนึ่งไร่แคปซูลเดียวอ ะ, อะไรนะผสมน้ำชีดเลยแคปซูลเดียวผสมน้ำชีดอ้าวค่อยดูคือเขาดูแล้วเขานับตัวจุลินทรีย์ เขาจึงเอาอันนี้มาคำนวณแล้วก็ดูคำนวณตัวเลขคานวณกันอะไระอะไรกันดูเนี่ยบอกเป็นไปได้เลยเนี่ยในปริมาตรเท่านี้ในปริมาณเท่านี้แล้วมันจะมีคุณค่าเท่านี้เท่านี้เท่านี้เ็าคำนวณได้คืออย่างนี้เขาก็ต้องคำนวณนั่นแหละได้ก็ว่าไปเพราะงั้นในเรื่องของการได้การไม่ได้เนี่ย ในเรื่องของตัวตนไม่มีตัวตนเนี่ยจึงเป็นเรื่องที่โอ้โหสุดยอดแห่งวิชาการและเป็นได้จริงไอ้ที่เป็นได้จริงนี่แหละอาตมาก็พูดว่าเป็นได้จริงและพวกคุณจะเชื่อมึงไหมเนี่ยทำไมหลงลมง่ายนักอะนี่เป็นได้แล้ว่านะ มันมีบ้างแหะคนเราถ้ามีบ้างแล้วเราจะเชื่อนะถ้ามีบ้างเอ้วยังงี้เราก็รู้ที่เราเราไม่ได้เชื่อใครอันนี้เรามีจริงๆของเรามันก็เป็นเครื่องยืนยันกับตัวเราว่าเราเชื่อแต่เราไม่ได้เชื่อใครตามกาลามาสูตรเลยไม่เชื่อไม่เชื่อไม่เชื่อแม้แต่ของพระพุทธเจ้าเราก็ไม่ได้เชื่อท่านนะเราเชื่อที่ของเรามันมันรู้จริงมันเห็นอยู่ของตนเองเนี่ยไม่ได้เชื่อใครมันเชื่อของจริงนะมันเชื่อของจริงมันเป็นอย่างเงี้ยบอกใครยากบอกใครไม่ได้ ก็จะว่าพระทจ้าตรัสไว้อภิรุจเจ้าว่าไว้ก็ตรงมันไม่ผิดหรอกนะนะเพราะงั้นการที่จะเป็นคนมีคุณสมบัติมีคุณธรรมหรือมีคุณวิเศษอันนี้เนี่ยจึงเป็นของเป็นคุณวิเศษจริงๆเป็นอุตริมนุสธรรมเป็นธรรมะอันเหนือโลกเหนือคนสามัญที่จะเป็นได้ไมัน ไ, ไม่ง่ายอ่ามันไม่ธรรมดามันเป็นเรื่องสุดวิเศษจริงๆนะ มันเป็นเรื่องสุดพิเศษแท้ๆนะเพราะฉนั้นพวกเรานี่พิสูจน์นะเราพิสูจน์กันเข้าไปพยายามพิสูจน์นะและพยายามพัฒนาตนเองพยายามปรับปรุงตัวพวกเรานะตอนนี้ก็มีบทพิสูจน์กำลังจะมาถึงบทใหญ่อยู่นะงานเจเนี่ยตอนนี้ก็พยายามที่จะทำหลายคนก็แม่ยังไม่อยากกว้าง หลายคนก็บอกจะเอา ก, อกว้างๆเลยถ้าเหตุปัจจัยทางสังคมเขาพร้อมช่วยก็จะเอาอะไรเงี้ยพอเราก็บอกมันยังพร้อมนะเราเองเราไม่พร้อมบางทีมันกว้างกันได้แต่ว่าเราเองเรายังไม่พร้อมกันนะ่ะมันก็เลยดึงๆกันอยู่นะั่นเป็นธรรมชาติต้องการทวงกันเป็นธรรมดานะเมื่อทําคราวนี้นี่นะมันออกหูออกก้อยอะไรมาอาตมาเองอาตมาไม่มีปัญหาหรอกอาตมาดูทุกพวกเรานี่เช่วยกันอาตมา รู้อยู่ว่าพวกเราเนี่ยจริงใจกันทั้งนั้นน่ะแต่ทิฏฐิหรือจริตมันก็คนละคนละข้างบางทวงกันขัดเกลากันสัเลกระท่มันก็เป็นธรรมดานะเพราะงั้นมันจริงอ่ะของคนนี้จริงสมมุติว่าในพวกเรานี่มีร้อยคนโหวตออกมาเอานี่แหะมันก็ขัดเกลากันน้ำหนักอันไหนมากอันไหนน้อยมันก็เป็น้นตัดสินเป็นธรรมดานะ เอเราเข้าใจแล้วเราก็อยู่กันเนี่ยไม่ให้มันมาขัดแย้งกันไม่ได้หรอกความเห็นมันก็ธรรมดาสุดแกนจริงๆเลยนะพระพุทธเจ้าถ้าไปเปลี่ยนแกนศรัทธาแกนปัญญาไม่ได้เลยถ้านึกจัดแกนปัญญาก็อย่างหนึ่งแกนศรัทธาก็อย่างนึ่งเปลี่ยนไม่ได้สัทธานุสารีธรรมานุสารีสองแกนก็ต้องสองแกนเปลี่ยนไม่ได้หรอกแล้วมันก็จะเป็นลักษณะของมันไปตามแกนแกนใครแกนมัน มันเป็นประโยชน์ต่อกันเพราะงั้นก็ต้องรู้ว่าแกนเราอยู่ในแกนศรัทธาเราก็ต้องฝ่ใจศึกษาปัญญาแลวก็ต้องรู้จักอนุโลมกับปัญญานะทางปัญญาก็ต้องอนุโลมศรัทธาแล้วเราก็ต้องพยายามศึกษาศรัทธาหรือเราก็ต้องเอาแกนศรัทธาเข้ามาเป็นของเรานะเราเป็นปัญญาเราแอาแกนศรัทธาเราเป็นศรัทธาก็เราก็ต้องเอาแกนปัญญามามันต้องทวงกันมันต้องทวงกันด้วยแถมกันด้วย ต่างคนก็ต่างของเขาก็ต้องเอาของเราก็ต้องให้มันต้องอย่างงั้นจริงจริงมันเกื้อกูลกันแล้วมันก็ขัดต่อกันด้วยเกื <c ười> ้อกูลกันด้วยขัดต่อกันด้วยนะเพราะพวกเราเรานี่ทำงานร่วมกันงานเดียวกันก็ขัดต่อกันไม่ได้ทำนะต่างคนต่างไม่ได้ลาบยศสรรเสริญโลกีสุอะไรกันทั้งคู่นะ <c ười> มันเป็นธรมธรมะธรรมะธรรมะสงครามมันเป็นสงครามของอัตตานี่แหละสงครามของอัตตาแ ท, ท, ท้เลยเห็นไหมโอ้สนุกสนุกกับนังจีนเยอะนังจีนก็มีอัตตาเยอะนะนางจีนนี่เขาก็สร้างซ้อนอยู่นะมีอัตตาเยอะนะนังจีนนะนังจีนเนี่ยเขาเข้าสายปัญญาสายจีนสายปัญญาเก่งโอ้โหบางทีงเรา ไล่ไม่ทันเลยโอ้มันล้ำหน้าเราอีกมันไปรีบเลยอันนี้มันเป็นได้เปล่าว่าเออมันไปแล้วเราบอกโอ้โหมันเก่งเกินเก่งเกินกว่าที่เราจะคิดน่หอ่งแล้วก็เราก็มาปฏิบัติไปเรียนไปนี่เดี๋ยววันสิบสี่สิบห้าสิบหกนี่นะเราจะมีการมาสวอตกันนะนะ ว่ากันระหว่างชาวชุมชนกับวนบหาข้อดีข้อด้อยกันนะหาข้อดีข้อด้อยกันให้มันดูที่อาคอแข็งข้ออ่อนกันให้มันเอามาประสมประสานกันไม่งั้นมันก็ไม่ไม่ไม่ไม่เข้ากันได้แล้วมันก็ขามันก็ไม่ดีมันไม่เกิดประโยชน์นะพวกที่คิด ไอ้สวอตได้มาแล้วก็ามาใช้กับสังคมนี่ดีนะเก่งนะใช้ได้แล้วก็ทำความมาันกลมกลืนเหมือนศิลศิลปินศิลปินนี่รู้จักทำภาพนี่ให้มันกลมกลืนมันมีสีคอนทราสต์กันมีอะไรคอนทราสต์กันไม่ว่าจะเป็นรูปเป็นรถเป็นกลิน่นเป็นเสียงอะไรมันคอนทราสต์มัน contrast, มั น, มนัดกันมันตรงข้ามกันเนี่ย ก็จะมาจัดให้มันอยู่ให้มันได้สัดส่วนให้มันได้อยู่ดีและก็กลมกลืนกันดีจะให้อะไรเด่นไม่เด่นอะไรแต่รู้จักสถานะของมันแต่ละองค์รวมแต่ละภาพอะไรพวกนี้ซึ่งเป็นงานที่ยิ่งใหญ่ศิลปะเนี่ยเรารู้จักการจัดองค์รวมจัด composition เสมออย่างอาตมาเนี้อาตมายืนยันอาตมาทำงานนี้ แต่ของอัตมาไม่จะมาเขียนแต่ผ้าผสมด้วยสีมาเป็นองค์รวมกันนเองไม่ทําองค์ของวัตถุเท่านั้นเองแต่ทําหมดเลยทั้งวัตถุและนามธรรมนะนามธรรมาเพราะในศิลประระดับปริญาเอกเนี่ยอย่างถวัลทวัลดัชนี เ, นเขาจบปริยาเอกเขาเรียนมาเขาก็ยังพูดอาตมาก็เคยได้ฟังเขาเขาก็เรียนมาในระดับถึงการบอกว ร, ร, ริยาเอกเนี่ต้องัึงอภิธรรม เขาต้องขั้นอภิธรรมแต่เขาก็ไม่ได้อธิบายละเอียดอะไรเท่าไรเขาพูดอย่างนั้นอาตมาก็เออเขาจะเข้าท่าตุเลบะริยาเองต้องขั้นอภิธรรมอภิธรรมนี่ยเมื่คือขั้นอรูปในอารูปมันต้องมีความหมายของมันในขั้นนามธรรมาในขั้นที่มันลึกซึ้งที่จริงอภิธรรมพวกเราเรียนอยู่เนี่ยอภิธรรมซึ่งมันลึกซึ้งกว่าเขาเพราะนถ้าจะว่าไปแล้วเนี่ยเราเรียนศินละปะมากกว่าเขา ศิลปะที่เราเรียนนี่ขั้นด็อกเตอร์นะขั้นปริญญาเอกนะทิศวัลเขาเรียนมาปริญญาเอกนี่เขาก็เรียนมาระดับนั้นนะจบแต่ก็ดีนะทวัลนี่ดีมันไม่คุยเลยไม่อวดตัวอวดตนเลยไม่เคยใช้คำเป็นตุ้งตุกเตอร์เลยก็ใครก็ได้จนตายนะทําทำผงานอย่างเดียวไม่ต้องคุยต้องเขืองอะไรพูดได้สภาษานะทวัลเนี่ยพูดก็พูดได้ทั้งสาภาษาภาษาไทย าภาษาคือภาษาเหนือภาษาภาคกลางไทยได้สองภาษาเหนือกับภาคกลางนี่เป็นห้าภาษาแต่ก็ไม่คุยเ้ากระว่างก็ไปก็ดีนะก็เป็นอเรามาจันที่สิบสี่สิบห้าสิบหกกันยานบอกให้ทราบหลวงน้าอัตมาเจ้าปฐมนิเทศเขาให้มา บรรยายแต่ว่าอัตมาจะบรรยายผสมกันไปในวิธีอริยธรรมเลยเพราะนั้นตอนเช้าของวันที่14อัตมาก็จะบรรยายเป็นปฐมนิเทศในะวิธีอริยธรรมบรรยายนาเรื่องของสวตตง์ต่างๆทั้ ง, งนี้นะเรื่องของการทำส่วนผสมที่จะจัดสรรขอดอยคอเด่นคอดีอะไรของทุกอย่างนะแะและเราก็จะมา เอาของจริงออกมาแล้วก็มาดูกันว่าใครมีอะไรแล้วก็เอามาว่ากันแล้วมันก็จะแก้ไขปรับปรุงหรือจัดสัดส่วนผสมกันคนนั้นลดคนนี้เพิ่มอะไรก็ว่าอะไรมันคนนี้อ่อนไปคนนี้ขแข็งไปก็เอามาลดมาเพิ่มกันธรรมดานะอะไรสตรองอะไรวีกก็ว่ากันไปตามจริงนะอันนี้ก็บอกให้ทราบลวงหน้านี่หนึ่งดูกันแล้วใช่ไมอ่ารู้ก่อนานะทไมอีกเนาะ อาตมาก็ไม่เป็นไรอาตมาเอามะพระ้าวมาขายสวนได้เสมอไ ม, ไม่ว่าไ ม, ไ, มไม่ถือะอะทีนี้กลับมาสู่เรื่องของบทตอ่อในะเรื่องของผลประโยชน์ทุกวันนี้เราฝึกความจริงของจริงอยู่แล้วประโยชน์ของเราคือประโยชน์ที่เรามีประโยชน์กับคนอื่นชีวิตก็เท่านั้นมารับใช้โลกโลกานุ ก, กรรมปา่าเป็นชีวิตก็เท่านั้นแหละชีวิตมนุษย์ เมื่อทำได้แล้วยิ่งมีหมู่กลุ่มดีเราก็พึ่งพาอาศัยได้แม้ไม่พึ่งพาอาศัยหมู่กลุ่มข้างนอกเขาบอกฮพึ่งพึ่งได้ที่จริงนะข้างนอกก็พึ่งได้จริงจริงก็เขาก็รู้คุณงามความดีของคนเราทาคุณงามความดีที่ไหนคนเขาก็ช่วยดูแลไว้เลี้ยงไว้ได้พอสมควร คนมันมีมีเนมีปัญญามีปฏิภาณที่จะรู้อะไรคนจะต้องช่วยเหลือเกื้อกูลนะมันเป็นธรรมดาธรรมชาติอยู่แล้วยิ่งเราเป็นระบบวัฒนธรรมเป็นจิตวิญญาณมีการกระตัญยุกะตวเวทีมีน้ําใจมีเมตตาเกื้อกูลมีอะไรอะไรอยู่ซึ่งมันไม่ใช่ภาษาเท่านั้นมันเป็นเรื่องจริงแล้วมันมีใจจริงน้าใจจริงที่จะเกื้อกูลช่วยเหลือเฟื่องฟายอะไรต่างๆนานาน ที่เราเรียนเนี่ยมันจะเป็นการสร้างสังคมสร้างมนุษย์ด้วยหลักการที่ยิ่งใหญ่เราเป็นได้แล้วก็ค่อยๆเผยแพร่แล้วก็ค่อยๆช่วยคนอื่นเป็นอีกเป็นอีกเป็นอีกอย่างน้อยเนี่ยทุกปีทุกปีทุก ป, กปีเราก็ผลิตนักเรียนเด็กเยาวชนขึ้นไปเรื่อยๆๆๆรแล้วก็พยายามติดต่อเยาวชน แม้จบไปแล้วเราก็พยายามดึงเขามารับไปบ้างอะไรบ้างม า, มาน้อยแต่เขาก็จะรู้ตัวเองอะ่ะในอนาคตเขาจะเวียนไปเวียนมาแต่ในระยะที่เราเอาไว้ได้อยู่ในกระเราหปีก็ก็พยายามอบรมพยายามทําให้เขาเป็นคนเป็นอาริยะบุคคลที่แท้จริงแล้วก็สร้างไปหรือแม้แต่คนที่เราบังคับไม่ได้ ไม่อยู่ในกรอบที่เราจะไปทําอะไรเขาได้เขาจะสมัครใจมาเอาก็ว่ากันไปอย่างที่เป็นๆเ น, เนี่ยผู้ใหญ่คนนั้นเวียนไปเวียนมาใครอยากจะมาอยู่ประจำใครอยากมาอยู่นานอยู่เร็วอะไรก็มีปัญหาอะไรก็แล้วแต่ใครสมัครใจใครเห็นว่าเออเราควรมาเอาอะไรอันนี้เขาก็จะมีปฏิภาณของเขามันก็อยู่ที่ภูมิของเขาแต่ละคนนะโลกมีจุดนี้เป็นจุดใหญ่ถ้าคนเป็นอย่างนี้ได้หมดมันหมดไม่ได้หรอกมันเป็นได้หมดไม่ได้หรอก คนเป็นอย่างนี้ได้มากเท่าไรโลกก็เบาสบายมากเท่านั้นเท่านั้นแต่ถ้าโลภมันไม่เป็นมันก็อยากที่มันเป็นมันมีแต่โลภโกรธหลงมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมันจึงเดือดร้อนไปหมดลําบากลาบนเพราะงั้นพูดที่เป็นบุญจริงๆนี่ความหมายบุญเนี่ยมันไม่มีอะไรหรอกบุญ บุญมันเป็นเครื่องมือเป็นอาวุธชนิดหนึ่งที่สําหรับฟาดฟันกิเลศพอฟาดฟันเสร็จแล้วมัอหมดหยุดไม่ต้องทํางานไม่ต้องทําอะไรก็จบไปด้วยตายไปด้วยบุญก็ตายไปค่าบาปเสร็จก็ตายไปด้วยกันบาปตัวไหนค่าเสร็จกิเลศตัวไหนค่าเสร็จเกลี้ยงไม่ฟื้นอีกแล้วบุญก็จบบุญก็หมดหน้าที่หมดงานเลยบาปจบบุญจบ นะบุญเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ลึกซึ้งมากเลยทีนี้ภาษาเอามาใช้คนไม่รู้มันเป็นสิ่งดีสุดยอดเลยใครก็อยากได้บุญมันเลยเอาบุญมาขายกันเล่นหมดเพราะว่าราคามันสูงกว่ากุศลอ่ะมันมีค่ามากกว่ากุศลมันเลยใช้แต่บุญมาล่อ ก, กันหลอกกันกุศลก็เลยกลายไปสู้บุญไม่ได้ทุกวันเนี่ยนะ แต่เขาก็พราะก็ใจแต่เขาจะไม่ลึกเราไม่ได้อะไรเขาก็แต่ว่าน้ำหนักของคนที่มันโปรโมดบุญมากกุศลบุญก็เลยนำหน้าไงเลยกลายเป็นบุญหมดเลยอะไรก็บุญเละไปหมดเลยพิษภาษาหมดเลยนี่ศาสนามันเลยเสื่อมเขาใช้ของาศาสนาพูทธเขาบัญญัติท่านเป็นตรงแต่เสร็จแล้วมาไม่ได้แต่มันจะเป็นบุญได้ก็คือผู้นั้นไม่มีตัวตนมีไรายได้ศูนย์ทําเพื่อผู้อื่นเท่านั้นนี่คือบุญ นะทำศูนย์ศูนย์ูนย์ไม่มีตัวตนรับรองรับหรืออะไรเลยนะสุดยอดใหตัผู้เป็นทุนเป็นรายได้ทุนของชาวบุญนิยมคือศูนยนะ์ทุนคือศูนย์และทุนที่ไม่มีดอกเบีย้ยด้วยไม่มีปันผลอีกตั้งหากจะอยู่อีกเท่าไหร่ก็ไม่มีออกดอกไม่มีปันผลไม่มีรายได้เพิ่มอยู่เลยบุญมีทุนเป็นศูนย์มีรายได้เป็นศูนย์อีก โอ้โหมันภาษาพูดมันก็ฟังแล้วก็มันก็ดูพอเข้าใจ น, นะแต่ว่าความจริงมันมันจะทำถึงยังไงเพราะงั้นเรียกว่าบุญนี่ก็คือจองมันเป็นอย่างนั้นบนทางที่บอกว่ารายได้ของหรือว่าผลประโยชน์สำหรับตนนั้นคือสิ่งที่ให้ออกไปและคุณค่าที่ได้ก็คือสละจริงเพื่อผู้อื่นเพื่อมวลมนุษย์นะเพื่อเพื่มอมวลมนุษย์ เพื่อโลกเพื่อสัตว์โลกทั้งหลายจึงเรียกว่าบุญนะบางคนที่มีบุญเต็มก็คือหมดตัวตนหมดเอามีแต่ให้ท่าเดียวนี้คนคนมีบุญเต็มนะอยู่เพื่อสัตว์โลกนะอาทิร์ก็เจสร้างคนให้ประสบผลสำเร็จเป็นหลักไม่อันนี้ว่ า, ายากไหมยากไหมเขาเจเนี่ยสร้างคนให้ประสบผลสำเร็จเป็นหลัก ยิ่งกับเข็นเขาขึ้นครกยิ่งกระเป๋าควายให้ปีฟังมันยิ่งกระเป๋าควายให้ปีฟังยิ่งกัเข็นครกไอเข็นเขาขึ้นครกโหยากมากนะนะ แต่ยากยังไงเราก็ทำนะเที่อธตมาสบายใจแล้วอยู่ไปอายุอยู่ไปได้เรื่อยมาพลังบังชาก็ดูแข็งแรงดีเรื่อย ๆ, ๆเนี่ยก็เพราะว่าพวกนี้เป็นนำเลี้ยงมันรู้สึกว่าเออมันได้ผลมันยากแสนยากนะโอ้แต่มันได้มันมีเห็นผลอยู่มันได้บ้างอ่ะอันนี้ก็อยู่ได้ถ้าตราบใดที่มันไม่ มันยังมีผลอาตมาก็ว่าอยู่ไปจนกว่าเราจะหมดฤทธิ์จริงๆนะนต่ออายุไม่ไหวแล้วก็วากันไปแต่ถ้าต่ อ, อยุได้อยู่แล้วก็มีผลถึงแม้ว่าจะต่ อ, อยุได้แต่ว่ามันไม่มีผลแล้วก็ไม่รู้จะต่อไปทำไมนะถ้าต่อได้แล้วก็ยังมีผลทำงานได้ผลอยู่ก็เอาแต่มันได้แน่นะไม่ได้มากก็ได้น้อยนะไม่ตะกะเราอาตมาไม่ตะกะเรา แม่ได้น้อยก็เอานะก็พอเป็นไปเป็นรูปเป็นร่างได้นะมันสร้างคนให้ประสบผลสาเร็จเป็นหลักโลกเขาก็สร้างแต่เขาสร้างกัลยาณนชนเขาพยายามสร้างเหมือนกันสร้างกรัลรยาณธรรมแต่มันไม่เที่ยงไงกัลยาณธรรมมันไม่เที่ยงเขาก็หาวิธีเจอให้ยั่งยืนแต่ยั่งยืนก็ต้องไปนั่งกดข่มจริงๆเลยหนีออกป่าไปเลยไม่เป็นประโยชน์กับใครกดข่มใช่ มันก็เลยไม่ค่อยได้มาอยู่ในนี้ก็ยากเพราะเขาจึงพยายามบังคับเยอะบังคับแล้วก็ตะล่อมกันต้องใช้อานาเยอะแต่ที่ศาสนาพุทธเราไม่ใช้อานาไม่ใช้อาจยาไม่ใช้การบังคับใช้อิสระเสรีภาพเอาปัญญาเอาปฏิภาณของแต่ละคนเป็นหลักเห็นด้วยคุณเอาไม่เห็นด้วยคุณไม่ต้องเอาน ไม่บังคับเห็นดีมาเอาทำไมเห็นดีก็ไม่หว่ากันอ้นะอิสระที่แท้จริงสมบูรณ์สุดเลยนะมันก็ช่วยกันสร้างไปทำไปนะเราเองก็ไปด้วยข้อ8ต้องศึกษาฝึกฝนกันจนจิตเกิดจิตเป็นเรียกว่าบรรลุธรรมตามลำดับ จึงจะเรียกว่าเป็นผลสําเร็จนะวันผลสำเร็จนี่จะต้องมีจิตนี่แหละเป็นตัวตัดสินว่ามีประสบผลสําเร็จไหมจิตนะมีจิตตายจิตเกิดคําว่าจิตตายจิตเกิดนี่แหละนะไม่อธิบายกันในพุทธชีวศิลจิตตายจิตเกิดนะซึ่งมันจะต้องรู้ รู้อาวุธคือบุญรู้บาปคือกิเลสรู้รูปรู้นามรู้กายรู้จิตรู้บุญรู้บาปรู้กรรมรู้สังขารมันต่างกันยังไงกรรมกับสังขารต่างกันยังไงบุญบาปต่างกันยังไงกายกับจิตต่างกันยังไงเรเริ่มตั้งแต่รูปนามต้องรู้รูปรู้นาม อย่างนี้เป็นต้นนะต้องแยกออกชัดเจนแล้วก็จัดการให้มันได้สั์ได้ส่วนได้มรกได้ผลไปไปไปไปก็จะทำอะไรให้มันตายก็ต้องทำให้ได้ไอ้ที่ตายแล้วตายจริงไหมตายสนิทตายไม่เกิดไอ้ที่เกิดแล้วเกิดถาวรเกิดแล้วจริงๆเป็นนิรันดร์ด้วยแต่เราเลิอกอัตภาพเมื่อปริปรพันธ์เป็นปริโยสาร จะมีอะไรอยู่ก็ช่างมันก็ต้องยกเลิกไปเท่านั้นเองมรกุผลก็มีไม่มีสิ้นสุดล็อกอาศัยได้ตลอดถ้าเรายังไม่หมดมเป็นปริธนิพพานปริโยสารมันเป็นเครื่องอาศัยได้เรา่งการเกิดการตายอมตะ บ, บุคคลบุคคลอรหันนี่ถือว่าเป็นผู้ที่มีอมตะ เป็นผู้รู้การเกิดการตายและทําการเกิดการตายได้แต่ไม่ใช่เป็นเจ้าชีวิตกิชีวิตตาร่างกายไม่ใช่แต่ก็พอมีพลังผู้ที่เก่งจริงๆก็สามารถกําหนดวันตายวันเกิดก็สามารถให้ตัวเองเกิดตัวเองตายได้ น, นี่เห็นไหมเขาสสแสดงว่าเขาจะตายลุงปู่พิมพ์กําลังสแสดงอะไร แต่ทําให้ตัวตายภายในวันที่ส1อนี่ผานผาวันสิบเอมาแล้วอ่าออกแต่วันที่10บเขาไปจับออกมาที่จริงไม่ใช่จับออกมาออกมาก่อนเขาบอกออกมาอยู่ในกุฏิแล้วก่อนที่เขาจะไปเปิดโล่งกันอ่าออกจากกุฏิบาญยุกุฏิแล้วนะก็ว่ากันไปอ่า จะกำหนดได้จริงกำหนดไม่ได้จริงสั่งให้เกิดให้ตายได้จริงไม่ได้จริงแต่ความว่าอมตะนั้นมันมีคุณสมบัติจริงจริงรู้จักอย่างน้อยที่สุดรู้จักการเกิดการตายของจิตแยกจิตได้จากกายแยกจิตได้จากรูปจากรูปมาเป็นนามจากนามแม่เป็นนา ม, มากายก็แยกได้จากกายมาเป็นจิตอีก จิตก็ต้องเข้าใจจนกระทั่งจิตก็เข้าใจวิญญาณก็เข้าใจมโนก็เข้าใจว่ามันมีอย่างไงลักษณะมันอย่างไงอยู่ตรงไหนอย่างไงนะซึ่งมันก็อธิบายยากยากอาตมา ก, ก็พยายามอธิบายนะวิญญาณเป็นองค์รวมที่เกิดในปัจจุบันจิตก็เป็นองค์รวมแต่องค์รวมที่รวมมาทั้งปัจจุบันทั้งข้างในทั้งที่ไม่เกี่ยวกับข้างนอก ไม่มีปัจจุบันข้างนอกข้างในก็มีจิตได้แต่พอวิญญาและพอไปในจิตในข้างในแล้วไม่มีแล้วะก็มีเหมือนกันนะ่ะมันมีก็มันไม่ออกข้างนอกเลยมันก็กลายไปเป็นตัววิญญาหรือว่าเป็นตัวมโนเป็นตัวจิตถ้าไปข้างในจริงๆสุดท้ายเขาเรียกว่ามโนนะเป็นมนายตนะไม่เรียกจิตตาญตนะหรือกรรมเมื่อสังขาร่ย กายสังขารเขาเรียกจิตสังขารเขาเรียกว่าจีสังขารเขาเรียกแต่กายกรรมเขาเรียกว่าจีกรรมเขาเรียกจิตกรรมเขาเรียกไหมเขาไม่เรียกมันไม่ใช่กรรมจิตมันไม่ไปทำกรรมอะไรจิตจัเป็นตัวเรียกองรวมขององค์ชื่อกล่าวนามของจิตเท่านั้น มันไม่มีกรรมก็เลยไม่มีจิตกรรมแต่จิตสังขารเป็นได้กายสังขารจิตสังขารวจีสังขารเป็นได้อย่างนี้แต่เป็นกรรมก็เป็นได้อยู่แค่อปิกรรมเป็นได้หมดและกายกรรมวจีกรรมมันโอ้ไม่ใช่เป็นกรรมเป็นได้สองเป็นสังขารเป็นได้หมดกายสังขารจิตสังขารวจีสังขารเป็นได้หมดแต่เป็นกรรมก็เป็นได้แค่สองอะไรอย่างงี้เป็นต้น เราก็ต้องเข้าใจว่าเออกรรมกับสังขารมันต่างกันยังไงเออจิตมันทํากรรมไม่ได้เอ๊ะแต่มันทําได้เป็นโมโนเนาะแล้วมันทําได้เป็นกายเนาะเออแต่มันจิตไม่ไม่ทําจิตมันเป็นยังไงเราก็จะเข้าใจว่าโอถ้าจิตไม่ทำมันก็จะรู้อาการคุณรู้เข้าใจบัญญัตินี้คุณจะต้องไปสักอันนี้เออมัน ส, สิ่งที่เกิดเกิดจิตนะ เกิดอย่างนี้มันไม่ถึงขั้นย่างโอ้เขาไม่เรียกหลอกทจิตแล้วเขาเรียกแค่สังขารเขาไม่เรียกกรรมมันมีได้แค่กรรมเป็นสังขารไม่ได้โอ๊ตมาขอไปมันมีได้แค่สังขารไม่เรียกกรรมไม่ได้อมันเป็นอาการของนามมาทำมาเนี่ยขั้นจิตมันมันได้แค่สังขารมันจิตกรรมไม่ได้อ่าอ่า อย่างนี้เป็นต้นนะเพราะเราก็จะรู้จิตเกิดจิตตายเพราะเมื่อเวลามันจิตมันหมดนะจิตนะจิตเกิดจิตตายนี่ก็เรียกเป็นคาแทนที่จริงมันวิญญาณเกิดวิญญาณตายวิญญาณเกิดวิญญาณตายสูงสุดเนี่ยวิญญาณก็ตายจิตก็ตายแต่จิตคำกลากลางตายก็ได้ไม่ตายก็ได้เป็นอมตะ เรียกก็ได้ไม่เรียกก็ได้จิตกลับกันนะเพราะเป็นกรรมมันเรียกไม่ได้แต่พอเวลามันจบมันเรียกได้นี่พวกนี้นี่มันลึกซึ้งจนกระทั่งไม่รู้จะกล่าวยังไงมันกลับไปกลับมามันแทนกันไปแทนกันมาแทนกันไปแทนเพราะไใช่บัญญัติแทนสภาวะและสภาวะนี่กลับไปกลับมากลับไปกลับมาจริงๆตัวธาตุรู้สุดท้ายจริงๆเนี่ยตกลงคนเป็น สัตว์นี่ไม่มีวิญญาณเป็นพระเจ้าพระเจ้าไม่ใช่วิญญาณพระเจ้าเขาก็เรียกพระจิตเขาไม่เรียกพระวิญญาณนะแต่ว่ า, าศาสราเทวนิยมผ่าเอาบุญไปเรียกนักบุญซะเองไปเรียกเป็นบุคคลนะตั้งๆที่เขาอยากทำบุญไม่ไม่ไม่มีสูตรทำบุญด้วยซ้ำไปแต่เขาเอาภาษาแบบคำว่าบุญไปใช้เว่าเขารู้ว่าคาว่าบุญมันของดีอ่ะ ใช่ไหมมันยอดกุกศลนักกุศลก็ไม่เอาเขาเรียกนักบุญเขาไม่เรียกนักกุศลเรียกนักบุญเพราะเราจะรู้ความตายความเกิดของธาตุนามธรรมเนี่ยอย่างชัดเลยอะไรตายอะไรเกิดจะรู้อ๋ออันนี้ตายอันนี้เกิดมันไม่มีอะไรเพราะงั้นที่บอกการตายของโอปปาติกะ จิตวิญญาณคือเรียกกลา ง, ลางอีกพอมาแยกถ้ามาแยกว่าเอาอันนี้มันเป็นสัตว์นรกอันนี้เป็นสัตว์เทวดาอันนี้เป็นสัตว์พรหมอะไรก็เรียกว่าโอปปปาติกะก็คือจิตอีกแหละก็คือนามก็คือนามธรรมาอีกแหละนะมาเป็นอั น, นี้เราก็เรียกโอปปปาติกะนะกำกับให้เต็มๆคำแล้วมันเป็นสัตว์เป็นชีวิตชีวิตสัตว์ก็รู้ว่านามธรรมาสุดท้ายก็ จนกระทั่งถึงเป็นพรมเป็นสัตว์พรมเป็นพรมสัตว์สูงสุดเป็นพรมสัตว์สูงสุดแต่พวกอัตวัิยมก็รู้สัตว์สูงๆก็เหตุปัจจัยเท่านั้นไม่มีอะไรอีกอาศัยเท่านั้นเองอยู่อย่างอาศัยไม่อยู่อย่างอะไรไม่อยู่อย่างอะไรอาศัยเท่านั้นอะไรนี่ มันยังมีเยื่อยังมีใยไม่ขาดถ้าอาศัยเนี่ยก็แค่สยะอยู่อาศัยแค่นอนไม่ไม่ castle, children, ไม่ไม่ไม่ไม่ทำอะไรมากไม่มีอะไรกระดิกแค่นั้นไม่มีปฏิกิริยาอะไรอาศัยไม่ใช่อะไรนะอะไรเนี่มันมีบทบาทมันยังมี พลังงานยังมีบทบาทที่เป็นเราอยู่ในตัวของมันเองถ้ามันมีมากๆแล้วมันบันเลยบันลัยนะหรือวิไลวิลยะวิไลนี่แปลว่าความชิพาด p a i r w กันถ้าลอลิงไม่นาการยอรยักนะวิไลลออิงไม่นาการยอรยักนี่ชิด p ายถ้าวิไลสลไ อ, อลออเลือมเออลออิงก็แปลว่าสวย แต่ ว, ว่าสวยแต่ว่าวิไลรอลิงยอยักษ์นี่ใครอยไปชื่อน ะ, อะแปลชิพายวิไลวิไลโ ย, ยรอลิงยอยักษ์นะนี่พยัญชนะต่างๆพวกนี้มันลึกซึ้งนะก็ใช้แทนสภาวะเพราะงั้นเราจะรู้จิตเกิดจิตเป็นอันนี้ทำให้ตายได้อันนี้มันก็เป็นเกิดมามันก็เป็นจิตเป็นอันนั้นป็จิตตาย อันนี้จิตเกิดจิตเป็นห้จิตตายสามารถรู้ความเกิดความตายที่แท้จริงเพราะก็จะบรรลุธรรมสำเร็จผลสำเร็จจริงๆต้องรู้จิตจิตเกิดจิตเป็นรอจิตเกิดจิตตายต้องรู้เพราะจิตจะเกิดเราก็ต้องรู้ทำไมให้เกิดทำไมให้มันเป็นอยู่ไม่ให้มันตายต่อให้จิตเป็นกุศลอยู่อย่างนั้น กุศลไม่มีเขตจบไม่มีศูนย์ด้วยกุศลไม่มีเขตจบไม่มีศูนย์เมื่อกี้พูดไปทีแล้วกุศลเนี่ยแม้เราปฏินิพพานมันก็อยู่แต่มันไม่มีตัวตนของเราแล้วเท่านั้นเองมันมันไม่มีละเราไม่มีละมันก็อยู่่กุศลมันไม่หมดกุศลไม่มีหมดกุศลไม่มีสิ้น ทำก็ไปเถอะไม่สะดดในกุศลสร้างก็ไปเป็นเครื่องอาศัยยิ่งมีมากาาก็ยิ่งอาศัยเยอะอาศัยดีนะกุศลอาทินี้ข้อ9โอ้ 19.. 8นาทีแล้วอ า, อาข้าวอีกนิดหนึ่งข้อ9ความร่ำรวยอุดมสมบูรณ์ไม่อยู่ที่ส่วนบุคคลแต่อยู่ที่ส่วนรวมหรือส่วนกลาง อันนี้ก็พิสูจน์ความจริงอันนี้พิสูจน์ความจริงเหมือนกันมันจะส่วนกลางมันจะอุดมสมบูรณ์มันซ้อนนะมันทําไมอุดมสมบูรณ์เพราะลัทธิพุทธมันขยันมันเพียรมันไม่ได้งอมืองอเท้ามันมีสํานึกมันมีความขยันจริงๆสร้างความขยันให้กับตัวเองอย่างดีเลยใช่ไหมมีสมรรถนะเพราะมันไม่ได้หยุดฝึก มันมีสมรรถนะมีความรู้ความสามารถอยู่อะไรที่มันไม่ดีที่มันไปทำไอสิ่งที่มันไม่ดีก็หยุดมาอะไรมันดีก็ทำต่อทำขยันมันเพียงมีทักษะมีสกลิลมีความสามารถสูงขึ้นไปอยู่เรื่อยๆแหละสมรรถนะสูงอยู่เรื่อยนะมี e อฟฟิเชสูงเจริญไม่มีปัญหาอะไรแต่เป็นคนไม่เอา ทำไมไม่รวยอ่ะสร้างขึ้นมาสร้างขึ้นมาแล้วมันก็กองเบะบะเบะบะไม่ผลานไม่ทําลายสร้างขึ้นมาเรามันก็ไม่เป็นตัวส่วนผลานส่วนทําลายแม้เราจะใช้จะสอยแล้วก็เลือกคนใช้คนสอยใ ห, ให้คนพลาญเราก็ไม่ให้เ้าให้คนมันไม่พลานไม่เป็นประโยชน์แต่ให้คนผลานก็ซวยกว่เราไม่เกิดประโยชน์บาปด้วย อย่างนี้เป็นต้นเพราะมีภูมิมีปรรัญญาทุกอย่างที่สร้างอะไรขึ้นมาแล้วตัวเองก็กินน้อยใช้น้อยมันต้องเหลือมันต้องมากแล้วมันก็ยิ่งมารวมกันมันส่วนกลางตัวเองก็เป็นคนที่ไม่ผ่านเข้าไปทุกทีทุกทีทุก ท, ท, กทีสร้างมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเสรีสร้างก็มารวมกันอีกแล้วทนกลางมันไม่มากได้ยังไง ซึ่งเป็นหลักเศรษศาสตร์ที่อาตมาว่ามันยิ่งใหญ่ที่สุดเลยข้อสำคัญว่ามันจะเป็นได้จริงไหมเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นถ้าจิตใจบุคคลเป็นได้พวกเราเนี่ยังได้ขนาดนี้และพวกเราอย่างนี้สายเสียอยู่คือมันไม่รู้จะดูแลเก็บงำมันไม่ดูแลจากฟุ่มเฟือยสรุ่ยสุร่ายทิ้งคว่างเอาสูตรว่าไม่ใช่ตัวกูของกู เลยเด็ดดทิง้งสุไรสุรยุยสุไ ร, รฟือะไรอะไรไปต่างๆนานาหมดเลยอันนี้ยังเสียอยู่ในชาวโศ so. กถ้าไม่งั้นจะอุดมสมบูรณ์ย่งงนี้รู้จักปัญญาดรู้จักประหยัดรู้จักระมัดระวังไอ้สร้างเอาเก่งอ่ะเห็นไหมล่ะปลูกเก่งแต่ไม่เก็บเห็นไหมปลูกทิ้งเลยทำามเห็นมมันเป็นคนอย่างนี้โศกอ่ะ คือมันไม่เอามันมันขัดแยงกันในตัวไงก็เราไปเก็บเหมือนกับเราเอาเหมือนเราดูแลเหมือนเรามาทยัดกับมิเอาดูแลรักษาอะไรเหมือนเรายังหวงของอยู่เหมือนเราอะไรอยูมม่มันแยงในตัวไงแต่ไม่ใช่ให้ลึกๆว่าเราไม่ไ ด, ดู้ไม่ได้ไปหวงของแต่เราดูให้ของส่วนรวมให้ของมันไม่ควรจะพังไม่ควรจะจิบไม้ไม่ควรจะทิ้งจะคว่างเราก็ดูแลมันเป็นนิสัยอันดีของเราตัางหาก แต่นี้ใสของเรามันไม่ดีมันไม่รู้จักเก็บงำมันไม่รู้จักดูแลมันไม่รู้จักช่วยกันมัตยัดประหยัดอะไรต่างๆนานาหรือพยายามรักษาสนให้มันดูอยู่ให้คงให้นานให้ทนมันก็ปล่อยทิ้งเพราะว่ามันจะต้องทิ้งมาฝึกทิ้งฝึกไม่ใช่ตุก็ไม่เอามเไปของเราไม่เของเรามันย้อนแยงในตัวอย่างเงี้ยศาสนาธรรมอาวุธเจ้าถึงยากมากมันมีความ ปฏิโซดต่างมีทวนมันย้อนอย่างเงี้ยกลับไปกลับมากลับไปกลับมาอะไรมันอะไรกันแน่เว้ยมันก็เลยยากตรงเนี้ยแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆใช่มมันถ้าเรารู้อะไรมันควรจะเป็นอะไรแล้วเนี่ยมันจะเกิดความรวมสมบูรณ์ในส่วนกลางเนี่ยต้องเก็บรายละเอียดความบกพร่องตรงนี้ให้ดีนะนี่เป็น weak มันจะ strong นี่เป็น weak ข้อหนึ่ง ของพวกชาวโศกต้องแก้ไขปรับปรงุงทำให้ดีนะนี่ถ้าพอวรแก้นี้ได้เราจะอุดมสมบูรณ์ริงกว่านี้อีกนะเห็นชัดๆเลยอาตมาว่าพวกเราก็เห็นพวกเราเนี่ยมันเป็นคนซุรุ่ยซุร่ายไม่เห็นคือไม่ประหยัดนะมันไม่อย่างนั้นนะ่ะมันปล่อยปละละเลย อ, อันนี้เนี่ย ขอเตือนขอให้สติพวกเราฝึกฝนแก้ไขประเด็นนี้ขึ้นแล้วพวกเราก็จะเจริญยิ่งกว่า น, นี้การเจริญนี้ไม่ได้มีความเสียหายของใครเป็นความดีทั้งคู่ทั้งเราทั้งเขาทั้งนั้นเลยความเจริญเนี่ยนะเพราะงั้นไอ้คนทั้งโลกมันขี้หวงมันก็เลยโอ้ยเก็บจนกระทั่งขี้เหนียวจนกระทั่งไม่ให้ใครไม่ตกไม่ให้หลน่นไม่ออกไม่ให้พังไม่เสียนะเพราะมันมีตัวกูของกู เ ห, หม็มันขัดแย้งในทีในตัวของมันเองใช่ไหมเพราะเราจะต้องรู้อะไรผิดอะไรถูกอะไรควรอะไรไม่ควรให้ชัดแล้วก็ปฏิบัติสิ่งควรสิ่งไม่ควรอย่าทําสิ่งที่ควรก็ต้องทำนะความร่ารวยอุดมสมบูรณ์ไม่อยู่ที่ส่วนบุคคลแต่อยู่ที่ส่วนรวมหรือส่วนกลางเนี่ยเป็นความหมายที่ลึกซึ้งและเป็นจริงข้อบอกพร่องในอย่างที่เราพวกเราพวกเรานี่มันบกพร่องก็ต้องปรับปรุง แอบขายเพิ่มเติมขึ้นใหม่แล้วมันจะดูดีนะส่วนข้อ10กับข้อ11นะข้อ11นี่จะพูดได้อีกเยอะนะอิสระเสรีภาพพราดรพระภาพสันติภาพนะและกับสมรรถภาพบูรณภาพนี่ก็ค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งนะเชิญชวนให้มาดูได้หรือพิสูจน์ได้ดุดเดียวกับพิสูจน์ ทางวิทยาศาสตร์อันนี้เราก็เคยพูดถึงมาเสมอเอหิปัสซิโกมันเป็นได้จริงเป็นของที่เป็นจริงเป็นของวิเศษโอปันยิโกที่เราของสูงที่ต้องเอาให้ได้แล้วเราก็ได้แล้วเพราะงั้นมันจึงเป็นของมหาศักรย์สิท์ของสูงเป็นของที่ควรควรให้เห็นกันควรดูกันเป็นสิ่งที่ไม่ใช่ของเป็นไปไม่ได้เป็นเป็นได้และเป็นสิ่งวิเศษเปนสิประเสริฐของมนุษยชาติของสังคม นขนาดนี้แล้วเร า, เ, ราเองเราว่าพยายามที่จะไม่อยากอวดไม่อยากโชว์นะทาขนาดนี้เราเนี่อวดไม่ใช่น้อยมีเรื่องโทรทัศน์พุที่จะอวดตัวอวดตนเลยนะเนี่ยเขาก็รู้ทันว่าเราอวดตัวอวดตนเลยจริงๆเราไม่ได้อวดตัวอวดตนเราเผยแพร่เห็นไหมใช้ภาษา <ś red ge> ใช้ภาษาแล้วเผยแพร่เราไม่ได้อวดตัวอวดตนแล้วอะไรมาเผยอะไรมาแพร่ก็เอาตัวตนนั่นแหละมาเผย <ś red ge> เอาตัวตนนั่นแหละไปแพร่เอาตัวตนนั่นแหละไปโชว์ไปแสดงไปโชว์ไปอวดไ ป, ไปให้เขาเห็นเขาดูแต่มันไม่ได้อยู่ที่ พฤติกรรมเอาให้เขาดูอยากให้เขาดูหรือเอาให้เขาดูมันไม่อยู่ที่อยู่ที่ใจเรามีสาเถยจิตไหมใจเราอยากอวดไหมอ่ะอวดแล้วมีรสกิดแล้วบําเ ร, อ, เ ร, อ, เรออัตตาหรือว่าเนี่ยแสดงการอวดก็แสดงออกให้เขาเห็นบอกให้เขารู้โชวยให้เขาเห็นนั่นแหละแต่ใจเราเนี่ยหนึ่งอยากอวดไปสองอวดแล้วเราชื่น อยู่ในใจมีน้อยมีนิดอะไรก็แล้วแต่ถ้าเราบอเออเราให้ดูโชว์แต่ว่าเราไม่ได้ชื่นใจอะไรดีไม่ดีโชว์แล้วเขาด่าโชว์แล้วก็ไม่ได้ชอบโชว์แล้วก็ทัด ต, ตอบเลยแล้วก็เออม่เป็นไรเขาไม่ชอบเขาก็ดา่าเขาก็คงยังเห็นไม่ได้ชมโชว์แล้วเขาก็ชมแล้วชมแล้วก็ไม่ชื่นอะไรแล้วก็เฉย นะเราก็รู้ว่าเอออันนี้คนคคนี้ก็ชมคนนี้ก็รับได้คนนี้ก็เห็นดีคนนี้ไม่ดีเนี่พวกนี้ภาวะจิตของเราจะเกิดทั้งนั้นเลยเกิดจริงไม่เป็นจริงไม่อ่านอาการให้ออกมันแรงมันมากมันน้อยมันมีอินทรีย์ของมันมีดีกรีของมันมีน้ำหนักของมันมีความเข้ ม, ค ว, มความเบาความแรงความหนาความหนักความบางอะไรของมัน มีไหมแล้วก็อา่านออกรู้ออกโอ้มันไม่มีแล้วมันลักษณะนั้นมันไม่มีในอาการในจิตซึ่งเป็นนามธรรมา ท, ที่ลึกซึ้งมากนะรู้ไดน้นี่คืออวดหรือไม่อวดแต่ชัวได้ส่วนข้อสุดท้าย11นั้นค่อยพูดกันนะสำหรับวันนี้เลยเวลาไป18นาทีแล้วไม่18บแปหรอกเมื่อกี้นี่เรา15นาทีเนีก็จะเริ่มอัตมาเห็นตัวเลข จำตัวเลขได้เดือนนั้น15นาทีของอาตมาไม่ถึงนะอันนี้มันเลยไปย0สนาทีลนะเอาตัวนี้เท่านี้ก่อนก็แล้วกันอา้าวที่นี้มีอะไรใครจะถามวันนี้วันที่อา้าวลืมแล้ววันที่นะสองก้อยยอขอโอกาสครับอา้าวว่าไปครับ กราบราชการพ่อท่านกราบนักการสมนะกกราบนักการจิกมาตก็ขอจะเดินในธรรมพวกเราทุกคนนะครับผมยันยิ่งครับพ่อครูพูดถึงความแข็งแรงความหมอนแอของหมู่กลุ่มผมก็อยากจะพูดถึงสตองตัวเองวีคของตัวเองในการเดินทางสายโลกุตตละนะครับสมัยก่อนนะครับ ใหม่ๆในการปฏิบัติธรรมนะครับผมก็เดินเท้าเป่าตั้งแต่ปีสอฝึกไปใหม่นะครับมันก็รู้สึกว่ามันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เราต้องต่อสู้ครับที่เป็นเป็นรูปธรรมก็เมื่อเราใส่รองเท้ามานานเมื่อถอดรองเท้ามันจะไม่มีภูมิต้านทานจะเดินในที่ต่างๆโดนหินก็เจ็บโดนน้ำก็กัดกว่าเราจะได้ เท้าที่แข็งแรงนะครับเท้าที่มันมีภูมิด้านทานมันก็ต้องใช้เวลาในอีกอย่างหนึ่งสมัยก่อนเดินในตลาดอําเภอเจ้กัวป่านะครับมันจะรู้สึกว่ามีโลคกระทำเมันก็เราเดินลอยในอากาศนะครับคือมันมันสูงสูงต่ำต่ำมันสูงสูงต่ําๆมันอายเขาอะคือเรายังทําใจตรงนั้นไม่ได้ลอยมันไม่ใช่ว่าภูมิใจอะไม่ครับรู้สึกว่าเราเดินเหมือนกใจมันลอยๆยมัน มันบอกไม่ถูกมันโยงมันโยงโยงมันเขินอะไรสารภาพเลยมันไม่มีความมั่นคงมันไม่มีความหนักแน่นโยงโยงกว่าจะผ่านตรงนั้นมาได้จนกระทั่งบัดนี้รู้สึกว่าตัวเองมั่นใจไม่ว่าจะไปเดินที่ไหนก็สามารถใส่รองเท้าก็ได้ไมใส่รองเท้าเป๊บๆเลยนะมีการสองวันนี้ก็ไปที่โรงพยาบาลใหญ่โรงพยาบาลสัรพสิทธิ์ก็ไปรับท่านถนอมคูณพยาบาลก็กรทัก ไม่ใส่รองเท้าผมก็พูดยิ้มๆไม่ใส่นานแล้วครับผมก็เดินผ่านไม่อยากอธิบายอะไรมากนะครับอัออนนี้มาพูดถึงนามธรรมอะครับการปฏิบัติของผมก็สามารถที่จะเดินผ่านผ่านดงเล่าผ่านดงมุรีผ่านดงอะไรต่างๆซึ่งไปนามุกโดยที่เราก็ไม่เปิดไม่เปื้อนไม่เดือดไม่ร้อนรู้สึกว่าสบายมากตรงนั้นนะครับก็เหมือนกับว่าเราเดินเท้าเปล่าได้ในที่เหล่านั้นได้สามารถเดินทะลุภูเขาอ่า ทุราภูเขาอับยมุกอะไรต่างๆได้ครับแต่วันนี้เหนื่อยครับพ่อ <laughs> วันนี้เรากําลังเดินเข้าไปในดองของโอราลิอาตโอราลิกาอัตตาในหมู่กลุ่มกําลังเดินเข้าไปโดยเท้าเร า, <laughs> เ, ราเป่าในหมู่กลุ่มเนียนะเท้าเราไม่มีภูมิต้านทานสมัยก่อนนะครับตอนเดินเท้าเป่า <laughs> มีคนเขาแย้งผมอ้าวคุณเดินอย่างเนี้คุณไม่กลัวพรชาติข้าเท้าอ่ะ ผมก็เลยพูดเล่นว่าเออผมเหยียบตะขอหักมาหลายตัวแล้วเอาเวลาคุณข้าวดองหนาคุณทําไงผมก็บอกว่าผมใส่บูทเข้าไปดิแกตอบเขาเขาก็จนคือเขาจะถามเราให้จนว่าเออข้าวดองหนาไม่ทําไงเก็ใส่รองเท้าเข้าไปดิทีนี้มาวันนี้ผมก็เหนื่อยครับเพ่อเ อ, อ๊ะเราจะข้าใส่รองเท้ามันก็ไม่ได้เนีครับไอ้ดองโอดาลิกาตตาครับมันเสมือนว่าเป็นการต่อสู้มากครับก็รู้สึกว่าเหนื่อยเพีย แต่ผมก็คิดว่าเออเ ร, เราสามารถถอยก็เหมือนว่าจริงไหนที่ศึกไหนที่เรายังสู้ไม่ได้ครับเราประมาณตัวเองแล้วประมาณโอราลิกาตางคนอื่นแล้วเราสู้เขาไม่ได้หรอกเราต้องถอยเสมือนว่าเราเป็นประเทศไทยเนี้ยจะ อ, อ, อ้าขาพะวา ไ, ไปท้าจีนรบไปท้าอเมริการบคงเป็นไม่ได้ครับก็คิดว่าเออเราต้องพากไม้ที่ชุม่มด้วยยางขึ้นจากน้ําก่อนคือห่างไว้ก่อนขืนเข้าไปเราก็เท้าพองแน่ ตเนื้อตัวเดือดร้อนแน่ก็คิดอย่างนี้ผมก็รู้สึกว่าอการมาอยู่ที่นี่นะครับก็ทำให้ผมมีปัญญาคิดขึ้นมีกำลังใจจากพ่อจากหมู่กลุ่มจากธรรมณะจากสากิกมาดก็คิดว่าจะสู้ต่อไปครับขออนุญาตแค่นี้ครับอ้าวดีนะขอเสริมนิดนึง อ, อธิบายได้ดีนะเข้าใจลักษณะว่าการประมาณนี่เลยระวังมันจะโอตัวเอง มันโอตัวเองคืออะไรโอวตัวเองคือว่าเออมันยังไม่ได้เอาไว้ก่อนทั้งๆที่เราจริงๆเนี่ยเราแข็งขึนนิดหน่อยเราสู้ได้แต่ว่าเราไม่สู้นะมันจะโอตัวเองมันมีการเปล่าเโลมันมีการอย่างงี้แหละมันไม่มันไม่อาจหารมันไม่กล้าแข็งมันมันก็ได้มันรู้เหลี่ยมและรู้วิธีแต่ว่ามันจะมากไปน้อยไปเนี่ยจัดสรรให้ดีเพราะเงินบูรณาธิารทึงได้พยายามบอก พยายามบอกไว้ว่าต้องตั้งตนอยู่บนความลำบากกุศลธรรมเจริญยิ่งถ้าไปอยู่ในความสบายอากุศลธรรมเจริญยิ่งเพราะฉะนั้นการประมาณตนนี่จะต้องตั้งตนอยู่บนความลำบากให้มันมีทุกข์อยู่เสมอให้มันมีการได้ต่อสู้แต่อย่าเกินถ้าเกินแรงก็อย่างที่ว่านะมันไม่ได้เพราะครับ ม, มันเหนื่อยมากยิ่งกว่าไป ใจคุณจะต้องรู้ว่าในประมาณของเราจริงๆเนี่ยเราต้องตั้งตนอยู่บนความลำบากเราต้องประมาณว่าเราต้องมีสู้เราต้องมีฝืนต้องไม่ต้องอดทนแล้วก็อยู่ได้พอดีพอเป็นพอไปก้าวหน้ า, ากุศลธรรมเจริญยิ่งแต่ถ้ามันมากไปแน่นอนมันก็ตายเข็ดยุ่งตายกลางทางนะแต่ถ้ามันอ่อนไปไม่ไม่เลยอกุศลธรรมเจริญยิ่งเลย แค่เขตว่าทำตัวตามสบายยะถาอะไระยาถาสุขังโคเมวิหารโตนะอยู่ตามสบายกิเลนมันเข้าแล้วเพราะกิเลนมันอยู่กับตัวบำเรงไงพอเรามาเรแล้วรู้สึกสบายพระพุทธเจ้าต้องให้ตั้งหลักต้องอยู่ในฐานหน้าที่ต้องฝืน จะฝืนเกินแรงอันนี้เราประมาณยากหน่อยต้องต้องฝื้นพอดีพอดีนะฝื น, นต้องตั้งตนอยู่บนภพเมตตาอัตตาปตหะติปรตตหะโตต้องตั้งตนอยู่บนความลำบากนะต้องตรงนี้เ ป, นเป็นเป็นตัวตัดสินเลยเป็นตัวที่ประมาณให้ดีนะขอเสริมตรงนี้เนี่ยตมาก็าเคยอธิบายมามากแล้วยันไว้ตรงนี้อยู่นี้ เทวทัศน์สูตรเนี่ยต้องมาจำได้ตัวนี้โอโหสุดยอดเลยนะเทวทัศน์สูตร 54, เรม14ข้อ15้าอ้าวต่อข้ออากาศค่ะดิชันดินเย็นชาวหินฟ้าค่ะก็เรื่องบุญ น, นะคะที่พ่อท่านพูดถึงเรื่องบุญก็ได้เข้าใจเรื่องบุญมาเป็นขั้นตอนนะคะคทุกครั้งก็เราจะเข้าใจว่าบุญก็คือการเสียสละ การเสียสละก็คือสละเวลาของเราสละที่ของหวงผวงของแหนที่เรารักเราชอบก็ให้สละออกอันนี้เราเรียกว่าบุญก็บุญไงถูกแล้วไงไม่ผิดนี่แต่ว่าพอมันลึกขึ้นอีกค่ะอ๋อใช่มันจะลึ ก, ลกขึ้นให้แค่วัตถุมันก็ยังไม่ถึงที่สุด ม, มันยังไม่ถึงที่สุด บุญก็คือการชําระกิเลส<อ><ะ>พอชําระกิเลสก็เราก็เข้าใจได้แค่นั้นว่าคือการชําระกิเลสเราก็รู้ละเอเอเอาบุญคือการเอากิเลสออกแต่พอมาอีกทีหนึ่งก็บอกว่าบุญบุญนั้นถ้าเราหมดบุญก็คือตายถ้าตายได้ก็คือหมดบุญ <laughs> กิเลส<อ>ตายก็คือการหมดบุญ<อ>กิเลสอันนี้นะคะฟังเจ๋งเงนินกัน แ, แต่ว่าชาวโลกีนี่เขาจะตกใจนะคะ ถ้าหมดบุญแล้วเขาไม่มีหนทางนะคะหมดบุญก็ตายจ้อยยเลก็ถูกแล้วหมดบุญก็ตายจริงๆไงแต่แต่ดิฉันว่าเออถ้าหมดบุญได้ดิฉันก็อยากจะหมดเหมือนกันนะคะเข้าใจแล้วก็ไม่มีปัญหาหมดบุญเขาก็กลับมาเป็นโลกโลกีไงมาเป็นคนโลกโลกว่าเอ้าหมดบุญก็คือหมายความว่าตายร่างกายเขาไม่ได้คิดถึงตายกิเลสถ้าหมดบุญตายกิเลสเข้าใจแล้วแล้วก็ไม่มีปัญหา อ้าวใครต่ อ, อเขา เ, เข้าใจกันลึกซึ้งขึ้นเรื่อยๆอ้าวค่ะน้อมขออกาสค่ะคือดิฉันฟังทำวันนี้มีนิวอรนเพราะว่าเป็นห่วงงานเจค่ะเพราะว่า <laughs> น, นับย้อนหลังแล้วฟังพระครูบอกว่าเขาจะสวัดกัน 14, 15, 16้ากนะคะก็เลยมามาลองลำดับความสำคัญของงา น, นดมูมันยังไม่ถึงมัน อ, อ, องานทีเดียว ย, ยังไม่ถึงอยู่กับพวกครูแต่ ง, งานมันเหลือเยอะมากนะคะก็เลยอยากแบ่งบุญให้เพื่อนๆด้วยก็เลยเ ม, มันมีงานตั้งมีรายละเอียดตั้งส0บกว่ารายการค่ะดิฉนันามานับย้อนหลังดูแล้วนะคะถ้าเราถ้าเราสมมติว่าเราสวอไปสามวันนี้นะคะคนที่ทำอยู่จะสวอยเลยนะคะจะสวอยจริงๆค่ะเพราะว่าตอนแรกคิดว่าจะได้พักสักหนึ่งวันนะคะอันนี้อันนี้เ น, นี่ยคงจะไม่ไม่ไม่หวังเรื่องพักนะคะ <c oughs> แต่คิดว่าจะให้เข้างานเพราะว่ามันมีงานรายละเอียดที่ต้องขอความร่วมมือโดยเฉพาะถ้าถ้าเป็นการระดมแรงนี่มันมันจะเสร็จเร็วค่ะถ้าเป็นการเราทยอยไปเฉพาะเด็กกับทีมเราสี่ห้าหคนอย่างนี้ก็อาจจะไม่เสร็จนะคะเพื่อจะได้ไม่เสียผลทางครูนะครับว่าพอจะจะได้ไม่เสียผลแต่นี่เราก็จําเป็นเพราะว่าอาจารย์อาจารย์เนยอาจารย์วิชัยเขาจะมามันมันมีวันจำกัดเข้าเหมือนกัน เราก็ได้ก็้ามามันมันก็จําเป็นน่ะมันก็เลยจะต้องทําเพราะเราเอาจัดบริหารเวลาบริหารงานบริหารเวลาบริหารงานกันจริงๆอาจจะปรึกษาเรื่องการงนกับริหารเวลาอะไรนี้เพื่อเทื่อการจะได้แบ่งบุญกันทั่วทิงค่ะอ่าวที่เป็นไปได้พอโนุโมทนาล่วงหน้าค่ะอ้าวดีดีครับกลาบขอโอกาสครับ ผมนายดั้นเมกเป็นชาวชุมชนนะครับศีลห้าเคารพอย่างยิ่งในศีล8ดเคารพอย่างยิ่งในศีลสิบเราเคารพกันตามศีล น, นะครับห้องผมก็แอบมามาศึกษานะครับแอบมาเรียนกับในห้องเรียนมาดูเราจอมยุทธออกวิทยายุทธกัน ก็ดูสงครามครับก็สนุกแหะครับอดอดใจไม่ไหวก็พอถึงเวลาก็อยากจะมาฟังมารับรู้อะไรเพราะว่าอย่างของเราเองเนี่ยอย่างเวลาเวลาเราแสดงอยากจะอยากจะออกอาวุธกับเขามั่งอย่างเงี้ยมันก็ถูกประเมินประเมินผลโดยผู้ที่รู้มากกว่าทุกทีเลยเรายังพูดไม่จบหรือเรายังทำอะไรไม่เสร็จเ่ ผู้รู้ก็จะดักทางเราถูกหมดเลยเราจะไปทางไหนทางไหนเนี่ยเอ๊ะเราเราทำไมจนแต้มขนาดนัดอะไรอย่างนี้นะครับว่าทีนี้ผมผมผมเปรียบเทียบตัวเองนะครับอยากเป็นเป็นผู้ชายใช่ไหมครับกับผู้หญิงเนี่ยตั้งแต่สมัยเรียนแล้วละ่ะเราก็เรียนเก่งไม่สู้เขาสักทีนะว่าผู้ชายกับผู้หญิงเนาะเราก็บางวันเนี่ยข้ามวันเราถึงจะคิดได้ว่า เขาว่าอะไรคือคือมันช้ามากเลยนะครับกิชาก็เลยก็เลยมามองว่าลักษณะของของโดยรวมถ้าเทียบกับผู้หญิงเนี่ยก็ผู้ชายก็คือน่าจะเป็นเจโตอย่างผู้หญิงก็น่าจะเป็นโดยภาพรวมน่าจะเป็นสายปัญญาที่ที่มากกว่าเราเยอะแล้วก็กลับมามองมองมองภาพอีกทีว่าเอ๊ะอย่างผู้นำ อย่างผู้นํอาอย่างบัณฑารก็ปักธงด้วยกลุ่มดาวมีแต่ผู้หญิงทั้งนั้นเลยอย่างหัวหน้าพักเราก็ผู้หญิงสองสมัยมาแล้วอย่างเลขค้าเราก็ผู้หญิงอย่างสิษฐมาศก็สิษฐมาศก็แววไวเลยทุกอย่างรู้ทันเราบมดทุกเรื่องอะอแล้วก็แม้แต่รูปแรกก็เป็นที่เป็นลูกศิษย์หลวงปู่ก็เป็นผู้หญิงแล้วก็นึกถึงไม่เน้นพุทธ แมต่ผดุตีก็เป็นกายศักขีรูปแรกเนาะให้เราได้ศึกษาก็เป็นผู้หญิงอีกคําถามก็คือว่าอยากจะอยากจะถามว่าเออมันมีนัยยะอะไรยังไงครับเรื่องเรื่องเจโตกับปัญญานี่ครับอ้าวอันนี้เป็นลักษณะสองที่ยากมากเลยนะที่จะอธิบายหรืออิทธิภาวะกับปุริสภาวะเนี่ยเจโตกับปัญญาหรือศรัทธากับปัญญาเนี่ยเขายากมาก นะอธิบายนะยิ่งปุริสภาวะกับอิทธิภาวะยิ่งยากใหญ่เลยศรัท ธ, ธากรเจโตไปศรัท ธ, ธากับปัญญาเนี่ยยังไม่เท่าไหรนะ่ผู้หญิงเนี่ยมีลักษณะยังไหวไหวเร็วไหวเร็วนะแต่ไม่มีแรงผู้ชายนี่แรงแต่ไม่เร็ว แต่เมื่อเร็วและยิ่งแรงผู้ชายเนี่ยเมื่อเร็วเท่ากับผู้หญิงเมื่อไรผู้หญิงสู้ไม่ได้ถ้าเร็วเท่ากันกับผู้หญิงผู้หญิงสู้ไม่ได้มันมีสิงเดนที่จริงพลังงานก็เหมือนกันคุณก็เรียนทางพลังงานมาเหมือนกันนะมันจะซับซ้อนเนี่ยบวกกับลบเนี่ยพลังงานเคมีติกอะพลังงานเนี่ยหรือสถิติกับไดนามิกเนี่ย มันก็เป็นเช่นนี้นะมันมันสลับไปสลับมาแล้วมาแทมไปแต่มาสรุปสรุปจบก็คือถ้าเผื่อว่ามาลงตัวจริงๆสมบูรณ์แล้วก็คือปริสภาวะจะช่วงไหนก็แล้วแต่ถ้ามาลงตัวคือปุริสภาวะถ้ายังไม่ลงตัวเป็นอิทธิภาวะยุตริรรดการสรุปอีกทีนึงก็คือผู้หญิงยังไม่จบ เพศอิทธิยังไม่จบถ้าเพศปุริสจบนี้เป็นตน้นลงสุดท้ายนะศรัทธากับปัญญานั้นมันคลองโลกของจิตศรัทธากับปัญญาคลองโลกของจิตสองด้านและมันก็ช่วยกันเราอยากช่วยกันแล้วมันก็ทะเลาะกันด้วยปัญญากับศรัทธานะมันคนละตระกูลเท่านั้นเอง แต่ถ้าเผือว่าเข้าใจแล้วเราอยากให้มันไปเป็นคนละตระกูลอยางให้มันไปทะเลาะกันให้มันมาช่วยกันแล้วมันเกิดประโยชน์เพราะว่ามันมีคุณลักษณะคนละคนละแบบคนละศกษนาที่เกื้อกูลกันพอจัดให้การให้มันเกื้อกูลันกันได้สนับสนุนกันได้มันเป็นพลังสูงเลยประการศรัทธากะเจโตจะช่วยกันอยู่ตลอดกาลนานโลกแตกเลย แต่ส่วนปริสภาวะกับอิทธิภาวะนั้นมีการจบที่การสูงสุดแต่ศรัทธาขบัญญามันสุดท้ายมันรวมกันศรัทธาขบัญญาติมันจะมีศรัทธาขบัญญาถ้าศรัทธาขบัญญัลงตัวกันได้ดีที่สุดมันจะเกิดปริสภาวะศรัทธาขบัญญาตนี่รวมกันแล้วมันจะเป็นปริสภาวะ <c oughs> อย่างปางนี้เนี่ยนะอาตมาเองเนี่ยอาตมาใช้ลักษณะของอิทธิภาวะนะใช้สลักลักษณะของอิทธิภาวะกับบุคคลข้างนอกเนี่ยน้อยแต่ใช้ปุริสภาวะมากมากคืออะไร อัตมาจะไม่หนึ่งไม่ทำกว้างกว้างในไปลักษณะของผู้หญิงทุ่งนำหน้าเลยไปไกลเลยเจ้าแฟชั่นเลยก่อนเขาเลยริ ว, วๆเลยผู้หญิงเนี่ยแล้วเร็วไวอย่างที่คุณพูดถูกเขารู้หมดล้วอิทธิภาวะซึ่งไม่ใช่เรื่องเสียหายถ้ายิ่งมีปฏิพานปัญญาเลือกเฟ้นใ้ที่ดีไม่ดีได้ก็ใช้สิ่งที่ดี สิ่งไม่ดีก็ไม่ใช้อันนี้ไปสัจาะผู้ใดที่รู้เข้าใจแล้วก็ละเว้นได้มันก็จเจริญ ม, มันก็ปร ะ, ประโยชน์เพราะลักษณะของสองอย่างเนี่ยในผู้ชายหรือในผู้หญิงจริงๆมันก็มีทั้งสองอย่างที่เราจะต้องสร้างให้ให้ใหมันได้ว่าในตัวบุคคลบางคนเป็นผู้หญิงแต่ปริสภาวะเยอะบางคนเป็นผู้ชายแต่อิทธิภาวะเยอะมีได้ไมัน ไ, ไ, ไม่ไม่ไม่ปรแปลกอะไร น่ะมีมากจนกระทั่งมไเป็นกระเทยมันไม่สมดุล ม, มันก็เป็นกระเทยน่ะมันก็เป็นธรรมชาตาิได้ตอบปัญหาไหมเนี่ยอะอ้าวตอบใช้ได้อ้าวตอ่อกรบอการต่อนะครับอยู่ถ้าพูดถึงเรื่องคมช้านี่ตอ น, นเด็กๆนี่ผมยิ่งช้าใหญ่ อยู่ที่บ้านแม<อ>่ใหญ่นี้ไม่ให้ออกจากบ้านนะครับเพราะว่ากลัวหากินไม่ทันเพื่อนไม่ให้ออกจากบ้านทำไมไม่หากินไม่ทันเพื่อนเพระาะว่าเวลาไปหากินหาอะไรอย่างเงี้ยคือไปไม่ทันเขาคือว่าถ้าไปหาไอ้ของสักอย่างนี่ไปไม่ทันเขาอะไรอย่างนี้นครับ คือแปว่าไปทํางานก็ทําไม่ทันเขาอะไรคือชา้ชาช้าในเรื่องร่างกายมันก็ยิ่งไม่ทันจะไม่ให้ออกจากบ้านเลยยิ่งไม่ได้ฝึกอะไรครับนั่นแหละคือให้อยู่กับบ้าน <c oughs> กินอยู่กับบ้านนอนอยู่กับบ้านโ oh, นะอ้โหตนนี้ก็ยิ่ง <c oughs> เป็นห่วงเลยเป็นเล ย, ลรยครับผมกระทรมารยาทครับอันนี้ก็ผมรู้สึกในการฟังทำเพราะท่านเนี่ยครับรู้สึกเหมือนแต่ก่อนเนี่ยจะมีง่วงบ้างนะครับแต่พอมาฟังตั้งแต่วนบบมานี่รู้สึกว่า ตื่นตัวถึงแม้กันนั้นแม่ตื่นตัวแต่การรับรู้ก็ยังไม่ได้หมดนะครับเพราะว่าแต่ก็รู้สึกว่าพอใจพอใจับแค่ตื่นตัวก็พอใจและไม่ง่วงไม่งับครับตอนนี้ก็ได้มาฝึกด้วยนะครับฝึกการพูดกันอะไรดีดีดีดีบางทีอาจจะถามไม่ตรงประเด็นหรือไม่ตรงเรื่นแต่ว่าพ่อท่านก็เมตตามากนะครับก็คือตอบได้ทุกอย่างนะครับตอบให้เข้าทางได้หมด อ้าวสิ่งยังไม่เชื่อตัวเองไม่ต่อได้หมดหรอกครับวันนี้ก็จะถาม <c oughs> ประเด็นเรื่องอัตตาที่พอท่านพูดถึงตะกี้นะครับอัตตาทีนี้นเรื่องอัตตาโดยเฉพาะเรื่องความคิดเห็นทิฏฐินะครับความคิดเห็นเรื่องความคิดก็ถกกันไปถกกันมาเรื่องยึดถือความคิดเห็นนี่แหละทีนี้พอยึดแล้ว<ร>ทีนี้ยึดแล้วทีนี้เหมือนกับเรา มือนกับจานวนได้แล้วว่าเราผิดได้แหละแต่ด้วยความที่ว่ากลัวเสียเหลี่ยมลูกกานั้นน่ะเออเออเออเ อ, อก็คือไม่ยอมเอออันนี้เ อ, อเป็นลักษณะยังไงครับเป็นอัตราซ้อนอัตราหรือเปล่าครับใช่ใชใช่มันไม่ใช่อัตราซ้อนอัตรามาตัวอัตราตัวจริงอน่ะนีอัตราตัวจริงเนะี่ยเสียหน้าเสียศักดิ์เสียสีเสี ย, ส ย, สยมันไม่ได้เสียกรรมไม่ได้ไม่เสียรูปลดกิ่นเสียงสะพัดนะ มันเสียอัตตาของตัวเองโดยตรงเลยไอเสียหน้าเนี่ยมันไม่ได้เอาหน้าไปเสียจริงหรอกมันไม่ได้หน้าหลอไม่หลอมไม่ใช่นอะมันอัตตาตัวจริงเลยกูเสียศักดิ์ศรีเนี่ยอ่าเป็นตัวอัตตาตัวจริงไม่ใช่รูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสไม่ใช่กามมันอัตตาตัวจริงเลยอ่ายอมเสียศักดิ์ศรีไม่ได้เนี่ยใช้ศัพท์ภาษาที่มันเด็กๆรู่ๆกันว่าเสียศักดิ์ศรีไม่ได้นะมันยึดมันถือ นั่นแหละมันก็เป็นอัตราตัวแท้ๆอยู่ตัวหนึ่งที่ยากมากเลยยากมากเลยที่คนจะยอมตอนนี้ธรรมาคนหนังสือกำลังถึงตรงนี้อยู่เหมือนกันกำลังว่าคนที่มันขนองบาปขนองบาปที่เขาเองเขาขึ้นขี่หลังเสือแล้วก็ยังยังลักษณะนี้ ขณะนี้ที่เราทํางานทางาศาสนานี่ก็ตามท้งธรรมะนี่ก็ตามผู้ที่มีปฏิบาลผ่านปัญญาเนี่ยเขารู้ไหมว่าอโศกคือใครรู้ไหมแต่เขาลงจากลังเสือไม่ได้เขาศักดิ์ศรีของเขาแล้วเขาก็ดันทุรังไปนะ่ะยิ่งขนองบาปเพราะดันทุรังไปเขาก็ลากะไรที่ผิดนะ่ะต่อไปเรื่อยๆแล้วก็ขยายผลไปยเรื่อยๆ แทนที่จะกลับมาสา ม, มาช่วยเราแล้วก็โอเคไปกับเรานั่นเราก็เขาก็ลดอันี้เขาไม่ลดหรอกเขาจะเอาชนะค้าขานอยู่ในตัวนี่มันซับซ้อนเขายิ่งทําบาปซับซ้อนขนองบาปไปใหญ่เลยอย่างนี้เป็นตน้นมันเป็นสภาพรู้ไม่รู้จะไม่รู้เพราะฉะนั้นบาปพวกนี้นี่นะคือพวกบาป ของคนสูงบาปของคนสูงและเขารักษาเหลี่ยมที่สูงมันเรื่องศาสนาโลกุตระนะแต่เขาเออกโล ก, กียะมัดต่อต้านนตมาอยู่เนี่ยเขาได้นรกมหาศาลเลยบาปใหญ่เลยแต่เขาไม่รู้ว่าเขาเองเขาขนองบาปเกินไป มันเลวร้ายเกินที่เขาไม่จะควรทําเขาไม่ควรทําเลยแต่เขาไม่รู้ไม่รู้นี่คือรายละเอียดที่มันเกิดจริงเป็นจริงอยู่ตอนนี้เห็นชัดๆเลยเพราะก็เลยมันก็ต้องพูดกันต้องก็พูดก็เลยเขียนอยู่โอ้เรียบเรียงยากแก้แล้วแก้อีกไปต้องไตเที่ยวแล้ว ขนองบาปเอาครัขอโอกาสนะคะยิ่งมาอยู่ในดงผู้รู้ะะเอานี่ยกมือเอาไมเปรโฟนมายิ่งมาอยู่ในดงผู้รู้ตัวเองก็จะยิ่งรู้สึกเหมือนตัวเองเป็นผู้ไม่รู้อะค่ะเอ่อก็คือปฏิบัติธรรมก็เพิ่งมาปฏิบัติแล้วมาอยู่ในอสุก็เพิ่งมาอยู่ ก็ตั้งความหวังไว้สูงมากกับผู้ปฏิบัติธรรมที่จะเป็นแนวทางให้เราได้ปฏิบัติตามนะคะแต่บางทีบางอย่างพอมาเจอบางทีก็เกิดอาการผิดหวังบ้างเล็กน้อยกับกับผู้ปฏิบัติธรรมที่ซึ่งเขาจริงๆแล้วเขาอาจจะไม่ได้คิดอะไระค่ะเออแต่แต่เราติดติดโลทังโลกมากค่ะก็เลยบางทีเจอ มารยาทบางอย่างที่เราไม่คิดว่านักปฏิบัติทำบางทีดูอ่อนด้อยกว่าคนเครื่องนอกอะไอ่าค่ะเราก็สะดุดอย่างอย่างเอาไงดีล่ะอย่างเช่นพอก็เออบางบางอย่างที่คนวินยูชนธรรมดาเขาเขาเหมือนกับมีมารยาทคะ่ะแต่แต่คนของเราบางบางบางท่านก็ก็ดูดูจะไม่ไม่เข้าใจเรื่องมารยาทสังคมธรรมดาค่ะก็เลยจะผิดหวังบ้างเล็กน้อย อาอันนี้จริงเ๋ยวจะขยายไปฟังนิดหนึ่งไอ้คนทั้งโลกนี่มีมารยาทสังคมเขาเข้าใจว่าพฤติกรรมอย่างนี้แสดงออกแล้วเนี่ยมันน่าอายเขาก็กดข่มเขาก็ไม่แสดงออกเขาก็ไม่ทำเขาก็เลยดูดีพวกเราเนี่ยมารยาทสังคมเนี่ยเราไม่ค่อยไปถือเราไม่ค่อยไปออนั่นหรอกส่วนมากเราจะทำจริงจริงใจของเรา มีอะไรก็แสดงออกมาเพราะฉะนั้นแม่เขาจะมีไอเนี่ยขนาดนี้นะมันดูหยาบขนาดนี้เขาก็แสดงออกเต็มๆมันก็เลยดูหยาบทางข้างนอกนะถ้าหยาบเขาไม่กล้าแสดงหรอกนอกจากในที่ที่ควรแสดงเขาก็จะแสดงด้วยโอกาส แ, แต่เขาไม่ได้หมดนะเขาไม่ได้เายังมีอยู่เต็มเลยน ะ, ะเขามีอยู่เต็มกว่านั้นด้วยซ้าไป เขามีมากกันนั้นในซ้ําไปแต่เขาแสดงออกแค่นั้นนะต้องพยายามสงวนไว้แล้วเขาก็แสดงได้ดีนี่ลักษณะของสังคมมารยาทสังคมก็เป็นเช่นนั้นมันเป็นความจริงที่เขาต้องทําอย่างนั้นถ้าไม่เช่นนั้นนะยุ่งตายเลยเพราะว่าแต่ละคนแต่ละคนกิเลส ค, ค, คนบานเบียงตา่างคนตา่างเอามาจริงใจเราออกมาหมดเลยเละยิ่งกวตายแน่ใช่ไหมคิดออกมานึกออกมาเพราะฉะนั้นคนทางโลกกับคนทางในนี้เนี่ยมัันนนคอ อันนี้มันจริงใจอันุน้นเขาไม่มีจริงใจเลยเป็นพรีเทนเดอร์เป็นพวกนักเซซแงงสำคัญเป็นมารยาคนในโลกคือมารยาจอมมารยาทำไมแม่ของพระพุทธเจ้าจึงชื่อนางมารยา สีนี่มาเติมให้ไงสี่มห า, มายาก็ยังมายาอยู่นั่นแหละทำไมต้องชื่อมายานะเพราะว่าเป็นอิทธิภาวะนะเป็นอิทธิภาวะนะยังมีเกิดมีตายามันยังจะต้องเป็นมายานะยังไม่ส่สมห า, มายานะจา อย่างพ่ อ, อนี่ชื่อสุดโทธนะและแม่ยังไม่ได้เป็นอรหันต์หรอกออยังตายต่อไปอีกเขาต่อได้ไหมคะอะ้ต่อแล้อย่างอย่างดิฉันมาก็จะได้ข่าวว่างานเจที่นี่งานเยอะมากลูกค้าก็เยอะมากทุกอย่างทุกคนจะเหน็ดจะเหนื่อยจะอ่อนจะล้าอะไรเงี้ยคะ่ะตัวเองก็มุ่งหวังว่าอยากจะแบ่งเบาภาระ ก็ปรากฏว่าเออพอตั้งพอพอคุยกันในระดับหนึ่งพอตั้งถ้าจะเตรียมไปทำก็ก็เหมือนเหมือนถูกหยุดไว้ค่ะมันก็เลยเป็นงึงงงงไม่รู้จะทำหรือไม่ทำดีค่ะก็อยากขอคำแนะนำด้วยค่ะอ๋อย่ายึดมั่นถือมั่นอย่ายึดมั่นถือมั่นเขาผลักไปทางไหนก็กลิ้งไปทางนั้นซะก็จบจบขัดซะอย่างนั้นจะได้หมดอัตรา ถ้ายัางยึอดอยู่เขาจะผลักไปแล้วไม่ไปนีมันมันจะยุ่งมันก็จะเจ็บมันก็จะทะเลาะอะเราอย่างในในมาแล้วก็เอาเถอะคืออยู่ในหมู่เนี่ยสบายถ้าเราเองไม่มีตัวตนเราไม่ต้องไปยึดเนี่ยเอาเขาผลักมาแต่ในหมูใหญ่เขาก็ผลักไปเองอผลักหมูใหญ่ก็ผลักไปมันก็ไปก็มันมเราก็เป็นลู ก, ลกฟักก็กลิ้งไปกลิ้งมาสบายกรับขอกลับข อ, ขอาการค่ะ ค่ะวันนี้หูผึ่งเนยนะคะพราะพระท่านเทศเรื่องสัตทานุสารีธรรมานุสารีเรื่องอิทธิภาวะปริสภาวะเจโตปัญญาเนี่ยค่ะคือพยายามจะเชื่อมโยงว่าเออในในคนคนหนึ่งเนี่ยจะสามารถมีทั้งสองสภาวะได้ยังไงเพื่อที่จะให้เกิดปริสภาวะองี้ค่ะมันก็เลยบางทีตัวเองเอาสภาวะก็มาเหมือนทะเลาะกันในตัวเองก็มีนะคะสองอย่างทําได้ปริสภาวะกับอิทธิภาวะที่ทาจบได้ แต่ศรัทธากับปัญญาเนี่ยยากมันเป็นวาสนาศรัทนธะากับปัญญาเนี่ยยากแต่ปุริสภาวะกับอิทธิภาวะนี่คือสิ่งที่บอกบง่งบอกอาการลักษณะของมันและทำอาการทางจิตอันนี้ได้แต่ศรัทธากับเจโตนี่ลึกจิตลึกกว่านั้นอีกก็เลยจะมเีเรื่องเล่าเกี่ยวกับสภาวะเรื่องเจโตเรื่องปัญญาค่ะ ข อ, ขออนุ ญ, ญาตครู อ, อ้อยนะคะจะมีการพาดพิกนิดนึงนะค่ะ <laughs> <laughs> อยู่ใกล้ๆตัวมีช่วงหนึงค่ะที่ว่าเก้าอี้เก้าอี้ของวอบอมานะคะแล้วเราก็จะมีการขนเก้าอี้ลงแล้วก็จะมีการเก็บโต๊ญี่ปุ่นขึ้นไปข้างบนเนี่ยค่ะชั้น3พอช่วงการเก็บนะคะตัวหลายคนนะคะคิดว่าโอ้โหมีคนน้อยไม่ถึง10คนนะคะประมาณ6 7ค น, <c oughs> คนขนเก้าอี้ขนโต้เนี่ยประมาณร้อยกว่าตัวขึ้นไปชั้น3าเนี่ยมันหนัก ผู้หญิงทั้งนั้นน่ยนะคะวันนั้นรู้สึกว่าไม่มีผู้ชายตัวดิฉันเองก็ยังคิด น, นะคะบอกว่าโอ๊ยรอหนักเรียนเถอะเดี๋ยวต้องเรียนกินข้าวเสร็จเดี๋ยวรอให้เขาต่อแถวขึ้นไปใช่ไหมคะต่อเป็นสะพานกันขึ้นไปเดี๋ยวก็เสร็จแล้วครูอ้อยก็ได้ยินเสียงครูอ้อยแล้วค่ะบอกว่าสิไปทายให้ยังล่ะเฮ็ดไปโลดด้าหน้าเวลานั้นนะคะดิฉันนี่หัวเลาะตัวเองนะคะเออเราจะรอทําไมมัวแต่คิดมัวแต่คิดแล้วมันไม่ได้ทำไงคะคือคนคิด แต่ว่าไม่ยอมทําก็คือคิดจะวางแผนว่าเอาทอทํำยังไงที่เราจะให้เสียแรงน้อยที่สุดแต่คนที่ทําเนี่ยไม่ได้คิดอะไรค่ะเฮ็ดไปโรดสิไปทายยังแต่สุดท้ายก็ก็ทำตามนะคะด้วยด้วยความที่เราคําตัวเองว่าเออเราจะรอทําไมอะ่ะมีคนน้อยเราก็ฝืนตัวเองหน่อยคิดมากได้ช้าใช่คิดมากทีภาวะแล้วแล้วมีอีกเรื่องก็คือเมื่อวานเนี่ยค่ะก็มี เมื่อวานนี้ที่ไปเรียนเรื่องเรื่องสล่ะที่โดมใหญ่ใช่ไหมคะกว่าจะได้เริ่มเรียนกันก็ประมาณเที่ยงกว่าผู้เชี่ยวชาญที่สอนเขาก็จะเริ่มสอนตัดแต่งกิ่งใช่ไหมคะครูอ้อยนะคะ <laughs> ครูอ้อยนะคะเอาลคะค่ะเริ่มแจกอาวุธแล้วค่ะบอกว่าเอาเอาเพิ่นสอนตัดก็ตัดซะอะไรเงี้ยคะ่ะทีนี้นีฉันก็คํานวณเลยนะคะบอกว่าเออเดี๋ยวเราจะต้องกลับมาที่วัดบ่าย4ี่โมง เพิ่งจะสอนวิธีการแล้วก็คือตัดแต่งกิง่งยังไม่ได้สอนผสมเกสรการขยายพันธุ์ดูเกสรตัวผู้ยังไม่ได้สอนอะไรสักอย่างเลยค่ะถ้าทุกคนไปลงมือตัดตอนนี้รับรองวันนี้ก็เรียนไม่เสร็จก็เลยไม่ได้ทำตามทุกคนก็เลยไปเรียนเรียนตามขั้นตอนจนจนจบอะค่ะก็คือวันนั้นก็เมื่อวานนี้ก็ไม่ได้ตามครูอ้อยถ้าเกิดว่า ไปตัดทุกต้นหรือว่าแต่งทุกต้นเนี่ยไม่ได้เรียนเลยไม่ได้เรียนค่ะแต่สุดท้ายครูอ้อยก็ด้วยความยอดขยันนะคะ <c oughs> ก็ยังอยู่แล้วก็ตัดแต่งกิ่งปลูกใส่ปุ๋ยเหมืนอนเดิมค่ะกับทีหลั ง, งค่ะแต่ว่ามาฟังทำทันค่ะค่ะเราสภาวะให้พวกครูฟังอ๋ อ, อดีนี่เนี่เราเรียนฟิเอ่อฟิโนมอนโลจีเรียนประเภทที่เรียกว่ามันมีของจริงปรากฏการจริงมันไม่ใช่ห้องแล็บเล็กๆไม่ใช่หัดฝึกทํา กระจุกนิดๆหน่อยๆโอ้โหอันนี้มันของจริงนี่มันมันทัดทัดเจนเลยแล้วมันจะกว้างแล้วมันจะลึกเห็นเนื้อแท้แท้ๆแท้ๆนี่แหละเป็นการศึกษาที่เรากำลังจะสร้างมหาวิชารามกลับขออากาสค่ะดินอันไปฟ้าค่ะเสียงดังพอนะคะข้างหลังค่ะโ อ, อ้ยเขาลำโพงเขาทั่วรอบสินสรา คือเรื่องของสวัส์ค่ะท่านอยากจะเชิญชวนประชาสัมพันธ์เพราะว่าท่านปฏิบัติกรท่านวิทยกรนะคะเป็นครูเอื้อของนิสิตนอบอบอค่ะท่านก็คือดอเอรอเอกนาคบุตรนะคะแถมกับท่านอาจารย์ของเราอีกท่านหนึ่งคือท่านดรวิชัยรูปคขำดีค่ ะ, ะเป็นอะไรที่น่าสนใจที่สุดนะคะเพราะครั้งก่อนที่ท่านท่านอาจารย์อเกมาสวส์พวกเรานะคะก็ได้มีการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในชุมชน ได้อย่างเป็นระบบนะคะแต่ไม่แน่ใจว่าจะเป็นความยั่งยืนยาวนานหรือเปล่านะคะแต่ว่าเริ่มต้นไว้ดีมากเลยค่ะดิฉัเนเองกับเพื่อนนิสิตชื่นชมอาจารย์มากอาจารย์เก่งจริงๆนะคะแล้วก็เชื่อว่า S วอตอย่างที่พ่อครูบอกอะคะ่ะมันจะเป็นสวอทย่อมาจากภาษาอังกฤษนะคะ S ก็คือ Strength ก็คือจุดแข็งนะคะ W ก็คือว e กเ Weak คือจุดอ่อนนะคะ แล้วก o ็ ale, O ก็คือ Opportunity คือโอกาสโอกาสที่จะทำงานนั้นได้สำเร็จ S กับ U loyalty, นั้นเป็นการรู้เราค่ะว่าเราชุมชนราชธานีโสกซึ่งประกอบด้วยพี่น้องชาวชุมชนและพี่น้องวอนบอลจริงๆแล้ววอนบอลก็คือชุมชนราชธานีศิษไปครึ่งค่อแล้วนะคะนะคะแทบจะเป็นเนื้อเดียวกันละค่ะส่วน T นั่นก็คือ Treat นะคะคืออุปสรรคค่ะเป็นภัยคุกคาม โอกาทีนั่นก็คือต้องรู้เขาค่ะรู้สังคมภายนอกว่าจะมีปัญหาอุปสรรคอะไรที่เราจะไปเผยแพร่อาหารบุญนะคะในระบบบุญนิยมของเราค่ะสิ่งที่อาดาวพรกังวลว่ามันไม่มีกี่วนันที่ท่านนับดูแล้วถึงวันที่22ก็เวลา6วัน6วันถ้ามีการสวรที่เป็นระบบนะคะโดยองรวมแบบโฮลิสติกองรวมของชาวชุมชนราชธ า, านีสูขซึ่งประกอบด้วยวรนบร์และก็พี่น้องที่ไม่เป็นวนบ มันมีพลังค่ะเรียนฟังดูแล้วไม่ได้หนัก อ, อกหนักใจเหลือไปดูอาดาพรรู้สึกน่าจะคลำคลำนิดๆ น, นะคะ <c oughs> แต่เรียนก็รู้สึกว่าไม่น่ากังวลละค่ะเพราะว่าพี่น้องวรบเราเนี่ยเรามาด้วยหัวใจที่เต็มร้อยจริงๆแต่เราอยากเริ่มต้นให้เป็นระบบค่ะเราเริ่มต้นงานที่เป็นระบบที่อกเพราะว่าการศึกษาต้องเป็นสิ่งที่ดีกว่าเก่าแน่นอนพี่น้องส่งเราเรียนนะคะพี่น้องชุมชนส่งเราเรียนก็เราจะให้ความมั่นใจนะคะเรียนคนหนึ่งนะคะ เพื่อนๆช่วยด้วยนะคะว่างานเจปีนี้จะต้องมีอะไรที่ช่วยให้เรามีอะไรที่ดีกว่าปีก่อนๆแน่นอนโดยระบบของการทำสวอตก่อนนะคะมาร่วมกันทำสวอตให้ด้วยกันนะคะแล้วเราร่วมกันเตรียมงานกันอย่างเต็มที่คึกคักอย่างเป็นระบบค่ะแล้วอีกจุดหนึ่งที่ั้นก็ไม่ต่างกันอีกก็คือในเรื่องของปุริสภาวะและอิทธิภาวะนะคะก็ชัดเจนจากพ่อครูค่ะว่า ได้หญิงชายต่างมีปุริสภาวะและอิทธิภาวะแตกต่างกันเราก็เรียนรู้จากเพื่อนๆของเราเนี่ยค่ะก็ชัดเจนนะคะส่วนเจโตปัญญานั้นเดนก็เอามาอุปมากับการเจนะคะคราวนี้เราเหมือนมีกับความขัดแย้งทางทิฐิซึ่งพอนท่านใช้คำว่าธรรมาธรรมะสงครามและสนุกค่ะเดนก็สนุกไปด้วยแต่เชื่อว่าถ้าเราใช้องความรู้ทั้งศาสตร์ทั้งศิล ทั้งทางโลกและ ท, งทางธรรมผนวดกันแล้วนะคะด้วยหัวใจที่มุ่งมั่นอันเดียวกันได้มีพ่ะท่านเป็นแกนนําแล้วดิฉันเชื่อว่าทั้งสายศรัทธาสายปัญญาทั้งเจโตและปัญญานี่ค่ะที่สุดเราจะรวมเป็นอุปตูภาควิมุติในงานเจนี่คะ่ะคาดว่าอย่างนั้นนะค ะ, ะสาธุได้เลยอาจามาเขาเติมนิดนึงนะว่างานเจคราวนี้เนี่ยมันมีตัวมันมีองค์ประกอบใหม่ เราจะขยายโดยการที่จะเปิดกว้างขึ้นแต่พร้อมกันนั้นผู้ที่ยังเห็นว่าน้ำหนักควรจะเปิดมันก็ยังไม่ควรจะเปิดก็มีอยู่นะเพราะฉะนั้นเหตุปัจจัยต่างๆเนี่ยมันเกิดทั้งนั้นแหละองค์ประกอบที่แม่แตกที่สุดคสชก็ไม่เกี่ยวนะงานเจนในารื่องของคอสชอไม่เกี่ยวนะ เขาเล็งเราดูเราอยู่ถ้าเกิดพฤติกรรมอะไรของเราเนี่ยมันไม่ดีมันจะไปถึงผลสูงเลยผลมันจะใหญ่มันจะกระเทือนไปมากคิดดูสิคอสชอเขาดูเราเนี่ยเขาดูถึงขนาดว่ามาบ่อยเลยนะโส่งมาทหารมาแอบดูตรงนั้นตรงนี้อย่างนี้นกระไรคำนั้นคํานี้อย่างนั้นอย่างนี้อย่างที่พูดที่นี่ก็มาใช่ไหมทนันอิโสรงนั้นบ่อย ขนาดไปเขาเตือนว่าเออกู้ชาตินี่นะสามอาชีพกู้ชาติเนี่ยมันมันแรงไปนะอะไรวะสามอาชีพกู้ชาติแรงเปลี่ยนได้ไหมดูซิว่าเขราระวั ง, งชาวอโศกนี่ขนาดไหนเขาระวังขนาดไหนขนาด คำว่ากู้เขายังรู้สึกว่ามันแรงเลยนะมันแรงเลยเราก็ไม่ได้ว่าอะไรเรก็ไม่ได้ไปตอบว่าเราจะแก่ได้ไม่แก่แต่บอกให้แก้ก็ได้ถ้าจะแก้ทำไมไม่มีอะไรมากไปแต่เพียงติง้งเราจนนั้นเราไม่แก่เราก็ไว้อย่างนี้แหละอาสาอาชีพกู้ชาติมันก็รู้เรื่องดีนะไม่เป็นไรถ้าไม่ให้ไทยแก้ก็แก้ว่าอาสาปรชีพเพื่อมนุษยชาติก็จบไง ไม่ต้องกู้ชาติเพื่อมนุษยชาติทําไมถ้าบอกว่ามันกู้มันแรงเอาเพื่อมนุษยชาติมันก็เบาลงต้องเยอะสบายด้วยแต่มันยาวไปนิดหนึ่งเพื่อมนุษยชาติบอกกู้ชาติมันสั้นดีมันปุบเลยนะแต่ช่วยชาติเฉยเฉยมันเบามันสู้มันไม่เท่ถ้าเพื่อมนุษย์นะช่วยชาติมันไม่เท่ถ้าเพื่อมนุษยช์นะเพื่อมนุษยชาตินี่มันเห็นไหมนี่พอสายมา ตัวความหมายของแต่ละคำแต่ละแม่เป็นภาษาไทยมันให้ความหมายที่ลึกกว้างอะไรก็มันอยู่ในตัวมันเยอะนะมันอาตมาอยากจะขอบบอกให้ทราบว่างานนี้เรายังต้องระวังงานเจคราวนี้นี่เพราะว่าออกมาเนี่ยทางด้านผู้ว่าหรือทางด้านทางจังหวัดทางอะไรนี่เขาก็โอเคด้วยแต่จราจรเขายังไม่โอเคอะ ไม่โอเคแต่ป่าเขายังไม่มีหลักฐานเัาออมาให้ะเรายื่นเขาแต่เขาไม่ได้บอกมาเขาไม่ได้ตอบมาเขาแล้วแต่เรา อ, ะ, อ ะ, ะระมัดระวังหน่อยถึงยังไงก็ตามนะอาตมาระครัวใจพวกเรา <S 2> <S 2> <S 2> พอดีว่าใจมันอยากกว้างอยากใจอยากออกไปอยากให้ปรับปรับเลยเนี่ยอจะมากลัวใจของเนี้ยที่จริงเป็นได้มันดีไงแต่ที่นี้มันไอ้แวนล้อมอยู่เนี่ยเรายังไม่รู้เลยว่าอะไรอะไ ร, ะไ ร, ะไ ร, ะไรแค่ไหนเท่าไหร่มันคือองค์รวมของทุกอย่างเนี่ยกว้างเข้าไปเท่าไหร่เนี่ยมันก็มีมวลอื่นที่มันมีบวกลบคูณหารของเรามันเยอะมันจึงต้องน้อยไว้หน่อยดีคน้อยไว้หน่อยดีนะ เอาเท่านี้เราก็อย่าเพิ่งพยายามว่าจะดันไปน้อยไว้หน่อยดีถ้ามันมีทางออกไปได้ก็ไปถ้ายังไม่มีทางอย่าไปดันบอกไว้ลักษณะนี้ถ้าไม่มีทางอย่ามันดันอย่าเพิ่งไปเอาได้เท่าไรเท่านั้นได้เท่าไรเท่านั้นเพราะว่าเราทำมาแล้วมาถึงวันนี้แล้วเนี่ยมันเป็นรูปมันมีพลังมันมีอะไรเท่าไรพอสมควรแล้วถ้าเผื่อว่าเราไม่ทำให้มันเกิดเสียผล อะไรเนี่ยมันจะพาเราไปดีมากเลยอาตมาเห็นเหมือนกันในเรื่องเนี่ยสมมุตินะสมมุติว่า ง, งานเจเนี่ยมันเกิดเป็นงานหลักเป็นประเพณีของจังหวัดอุบลขึ้นมาเหมือนภูกเก็ตแล้วเราเป็นตัวหลักเลยเนี่ยมันจะดีขนาดไหนใช่มหแต่มันยังไม่ เพราะงั้นเราต้องระวังเนื้ว่าอย่างให้มันเพี้ยงพรำอย่าให้มันเสียผลไปก่อนอย่าให้มันแทงก่อนที่มันจะไปคลอดออกมาอย่างสมบูรณ์แบบอย่าให้มันแทงก็เตือนไว้บอกไว้เพราะนอาตมาเองอาตมาไม่ได้ปฏิเสธหรอกแต่ตามาก็พยายามที่จะจัดสรรใ้ประมาณให้มันดูดีเพราะงั้นก็ชเช้ก็เต็มที่แต่ระวังอย่างที่ว่าน้อยไวระวังอย่างที่ว่านะ เพมีอะไรอีกเรายังไม่รู้ว่าอะไรมันจะเกิดนะมันจะมีอะไรคือคักอะไรขึ้นมาอีกก็ยังไม่รู้ทางเราจะไปกลางเต็นเนี่ยกลางแค่ไห น, นถนนเรากลางด้วยป่ะคะขออนุญาตค่ะพอดีหนังสือยื่นไปขออนุญาตครึ่งเลนค่ะแต่ทีนี้ทางเขาก็บอกว่าให้ไปคุยกับ พุ่มกับตอนอจราจรค่ะคือพลตำรวจพันตำรวจตรีสันติภาพสายงามนะคะก็ไปพบก็ก็ไม่มีปัญหาค่ะก็บอกว่าโอเคนะคะเป็นในหลักการเสร็จแล้วเขาก็แนะนำเรื่องการขออนุญาตใช้เสียงคุณต้องไปที่เทศบาล น, นะไปทีนี้เราก็เอาหนังสือไปยื่นที่เทศบาล เทศบาลเขาก็ให้เสียค่าโฆษณาใช้เสียงนี่ค่ะ77บาทเสร็จแล้วเราก็นํากลับไปเจ็ดสิบาทด้วยค่ะแล้วเอา2องเศษสองไปทําอะไรค่ะมันมันมีอีกใบนึงนะคะโ อ, โ อ, โอ้โหนี่ยังมี77บาทค่ะเสร็จแล้วก็ไปยื่นแล้วเอาเหรียนี่ไปให้เขาสองบาท72็ดส <77 S 1> ิบค่ะเสร็จแล้วก็ข เ, วกเขาก็เอาหนังสืออย่างนี้แหละมาถูกต้องแล้วเขาก็ว่ายอย่างนี้ค่ะ เราก็เลยได้นังสือมาเรียบร้อยแล้วเขาก็รับทราบในหลักการทีนี้ส่วนการข อ, อไปดูแลเรื่องจราจรคุณต้องทำนังสือมาอีกฉบับหนึ่งนะจะให้ตำรวจไปช่วงไหนช่วงเวลาวันเปิดงานคนเยอะอะไรอย่างเงี้ยก็ขอให้ทำนังสือมาอีกฉบับหนึ่งนะคะท่านก็บอกอย่างนั้นค่ะ ก, ก็ตามที่ไปประสานงานมาส่วนเมื่อวานนี้ส่วนวันนี้ดิฉันไม่ได้อยู่ด้วยทางทีมงานก็ได้พูดคุยกัน ท่านใดมีข้อมูลก็เรียนให้พ่อท่านได้รับทราบด้วยค่ะขอบคุณค่ะตกลงมันวันเท่าไหร่นะวันเริ่มมันอะไรนะวันเจเนี่ยฮะยี่สิสองเหรอวันวันจันยี่ิบสองใช่เริ่มวันจันอ๋อวันจันงานเจวันยี่ิบสองะ ขอโอกาศค่ะงานจริงคือวันที่24ค่ะขอเพิ่มเติมนิดนึงนะคะเรื่องที่เราขอใช้เสียงอะค่ะคือทางเทศบาลบอกว่าต้องให้ทางทางจราจร อ, อนุญาตก็ถึงจะอนุญาตใช้เสียงได้เราเราจรึงไปไปประสานกับฝ่ายจราจร น, นะคะก็ก็ก็เป็นเป็นอ น, อนอนุญาตทางจราจรอนุญาตทางฝ่ายให้อนุญาตให้ใช้เสียงเขาถึงยอมอนุญาตเรานะคะนั่นนั่นคือประเด็นที่บอกว่า เขาอนุญาตแล้วเพราะตอนที่ส่งใบขออนุญาตไปคือขอสอ ง, งทาง ค, คือตั้งแต่ตั้งแต่ทางที่เลี้ยวตรงติงชาโตอะค่ะแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็แจ้งให้ทราบค่ะไอ้ส่วนตั้งเต็นเนี่ยไดมาถามตั้งเต็นนะตั้งเต็นบนถนนแล้วปิดปิดถนนเลยใช่ไหมครึ่งเดนใช่ไหมอ๋อ แล้วตั้งเต็นบนถ น, นนหรือเปล่าไม่ได้ตั้งใช่ั้ยอ๋อครึ่งเรียน้วาจะทำยังไงอ่ะกั้นกั้นแผงไว้เฉยๆกั้นครึ่งเรน ด, ดิฉันขออนุญาตแทรกอย่างนี้ดีไหมคะพอดีที่เป็นคนพูดคนสุดท้ายกับทางพันตมบตรีสันติภาพนะคบเมื่อบ่บายวันนี้ดิฉันก็เรียนถามเขาตรงไปตรงมาว่า ช่วงนี้เป็นปีที่ชุมชนโศกเนี่ยครบ20ปีจะย่างปีที่21ก็จะมีหลายชุมชนเข้ามารวมกันอย่างเช่นทางร้อยเอตโศกก็กะจะชวนมากันทั้งชุมชนนะคะแล้วก็เห็นว่าทีหมอเขียวก็มาทั้งทีมนะคะแล้วก็ชาวชุมที่มารวมกลุ่มกับวอบอลเนี่ยก็ล้วนแต่เป็นตัวหลักของแต่และพุทธสถานก็จะมารวมกันที่นี่ดังนั้นกิจกรรมมันก็จะเยอะหรืออย่างการณีของวอบอก็จะมีเรื่องของการส่งแบบสอบถามนะคะ ของผู้ที่เขาจะเข้ามามากินบางสัวกับเราเนี่ยว่าเขาเคยกินมากี่ครั้งแล้วนะคะแล้วก็กินเป็นกิจวัตรประจาวันหรือเปล่าหรือแค่มาครั้งคราวในเทศกาลตรงนี้มันก็จะทำให้ต้องใช้พื้นที่มากขึ้นทางจราจรจะว่าอย่างไรเขาบอกเขาไม่มีปัญหาแต่ว่าอย่าให้าใหชาวบ้านแถวนั้นน่ะมาร้องเรียนเขานะคะ ดิฉันก็เลยให้ทางดิฉันก็เลยให้ทางทีมงานเราเนี่ยไปเดินสำรวจไปเดินสอบถามพูดคุยกับชาวบ้านแถวนั้นทั้งถนนนะคะไปกันหลายคนพอสมควรมีจ่าหลักบุญมีใครต่อใครมีคุณพูนไทยมีคุณดินดอนมีพรตะวันมีใครอีกอะดาวเพนดาวพรไปกันทั้งทีมาค่ะให้ไปสำรวจไปคุยคุยกับชาวบ้าน ดิฉันไม่ไปค่ะเพราะนั่งหลักนั่งปักหลักเราอยู่ที่แล้วเขาก็มาสรุปให้ฟังว่าก็ไม่มีใครมีปัญหาทุกคนก็รู้สึก อ, อุ่น อ, อกอุ่นใจกับการที่จะที่จะที่จะเปิดงานร่วมกับเราก็คือทุกคนก็สามารถเอาของมาขายหน้าบ้านตัวเองได้เพียง mm hmm. แต่ขอให้ดูแลเรื่องการจาราจรเท่านั้นเองซึ่งตรงนี้จา่าหลักบุญก็บอกกับดิฉันว่าเขาขอรับผิดชอบเรื่องการจาราจรเพราะฉะนั้นก็คือทั้งฝ่ายตํารวจเองก็บอกว่าขอแค่ว่าอย่าให้มีคนร้องเรียน ทางฝ่ายชาวบ้านที่อยู่แถวนั้นก็บอกยินดีแต่เพียงช่วยจัดรถจราจรให้แล้วขอเขาได้เอาของขายด้วยเราเห็นอะไรลุงกุไทยมาเล่าให้ฟังตามหลังว่าถ้าสมว่าเราสามารถระดมคนมาได้เยอะคนพวกนี้มีเงินในกระเป๋าเยอะเขาก็จะซื้อด่าเราว่างั้นค่ะเพราะฉะนั้นเอาอะไรมาขายก็ได้ค่ะก็ได้ขายเพราะฉะนั้นดูแล้วมันก็เป็นความสอดคล้องลงตัวกันทุกฝ่ายดิฉันเข้าใจว่าอย่างนั้นนะคะที่ตอนที่เขียนจดหมายจริงๆเดี๋ยดิฉันเป็นคนร่างจดหมายฉบับนี้คือขอ2ถนน ถนนทั้งสองด้านด้านลักครึ่งเลนนะคะเพื่อให้มันเกิดการจราจรเคลื่อนไหวได้ดีแต่ทีนี้ในแนวทางปฏิบัติเป็นตัว L ค่ะเป็นตัว L ทีนี้ทีนี้โดยข้อเท็จจริงค่ะสีนรงค์ค่ะสีนรงค์ค่ะ ทีนี้พอโดยข้อแท้จริงแล้วต่างคนก็ต่างก็เกรงอกเกรงใจกันมากหรือเกินดิฉันว่าไอ้ความเกรงใจน่ยมันเป็นเรื่องที่ดีแต่ถ้ามันมีมากเกินมันก็ไม่น่าจะดีก็เอาเป็นวิธีง่ายที่สุดก็คือไปสํารวจความเห็นของคนที่อยู่แถวนั้นเลยสิ้นเรื่องสิ้นราแล้วมันจะจบคําถามที่ความกังวลใจทั้งหมดฉั้นก็เมื่อสํารวจดูแล้วทุกคนโอเคแล้วอีกถนนเส้นหนึ่งที่ยังไม่ได้ไปเดินดิฉันดูแล้วมีแต่บ้านที่ปิดประตูทั้งนั้นเลยนะคะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วมันก็เป็นเรื่องที่ว่าให้ถึงวันงานจริงๆ จะใช้แค่ไหนเราก็ดูตามความจำเป็นและเหมาะสมเพราะไม่ว่าเราจะปิดหรือไม่ปิดก็ตามแต่การที่คนที่เข้ามาซื้อสินค้ามาร่วมกิจกรรมกับเราเนี่ยมันมีมากและทุกคนก็เอารถกันมาเนี่ยการที่เราไม่ปิดถนนหรือจัดระบบสระจราจรจริงๆเนี่ยมันเป็นการสร้างปัญหาให้ชาวบ้านแถวนั้นมากยิ่งกว่าที่เราจะจัดจัดระเบียบดิฉันเข้าใจว่าอย่างนั้นนะคะ และโดยความจําเป็นเนี่ยของคนแถวนะั้นที่อยู่ถนนด้านนึงนะ่ะตำรวจเขาบอกว่าคนใช้ถนนน้อยกว่าที่อยู่ตรงด้านไ อ, ไอ้คนพิการได้ซ้ําเพราะฉะนั้นทั้งหมดคือพูดมาพูดไปก็คือสรุปความว่าไม่ว่าจะเป็นโดยนโยบายของจังหวัดเองนโยบายของจราจรเองหรือชาวบ้านแถวนั้นไม่น่าจะมีใครมีปัญหาเพราะสํารวจมาแล้วหนึ่งเส้นก็ไม่มีใครมีปัญหาและถึงวันจริงๆก็สํารวจอีกทีก็ได้และมันมีปัญหาจริงๆเราก็หยุดได้เหมือนกันเนี่ยดิฉันเลยว่าถ้าเราคิดว่าสิ่งที่เราทำมันเป็นเรื่องที่ดีจริงเนะ่ย การความกังวลมากจนเกินไปมันน่าจะสร้างปัญหามากกว่าที่เป็นประโยชน์ขอบคุณคะ่ะเราไม่ใช่กังวลเราเระวังไม่ใช่กังวลเราเระวัง<อ>เราก็ยังขอกรเสริมพี่หนึ่งฟ้า น, นิดหนึ่งนะคะพ่อครูพี่ฉันเป็นฝ่ายไปสํารวจนะคะเราก็ไปถามร้านตรงข้ามที่ขายขา ย, ขายมะพร้าวขายกล้วยปิง้งขายมะพร้าวเขาก็ร้านนี้ก็ไม่มีปัญหาเราไม่ได้ไปตลอดซ้ายนะครับวันนี้เราไปแค่สองที่จุดใหญ่ๆคือตรงที่ไอ คนพิการนะคะคนพิการเป็นเป็นเป็นรองผ อ, อ, อเขานะคะเขาก็ยินดีด้วยแต่เขาก็บอกว่าปกติเสาร์อาทิตย์นี่เขาก็ได้ทำใจอยู่นะเพราะว่าเพราะว่ารถมอเตอร์ไซค์หรือว่ารถรถต่างๆนี่ไปจอดขวางหน้าหน้าทางเข้าไปสถานที่เขาแต่เขาก็เห็นด้วยนะคะเขาก็เขาก็มีปฏิกิริยาที่ที่ดีกับเราเดือนของเรื่องมันสิบวันค่ะ ก็เขาก็บอกว่าก็ขอความร่วมมือให้ให้ทางเราจัดเรื่องจราจรเพื่ออำนวยความสะดวกให้เขาด้วยนะค ะ, ปปะนะครับมันทุกปีเนี่ยไปปิดประตูหน้าบ้านเขาแล้วก็เราไปขอตำรวจตำรวจก็ไม่ได้มาช่วยเรานะคะทุกปีเนี่ยมีแต่รปภคนเราคนเส<ป>ียีคนเดียปีนี้เราไปถึงอ่าน้่น น, นะมันทาให้มันดียิ่งขึ้นมันดีขึ้นตรงที่ว่ามันได้ก้าวหน้าไปถึงว่างานนี้เนี่ยเราไปได้ถึงขั้นเป็นหลักเป็นฐานแล้วปิเป็นกิจ เป็นกิจลักษณะไปถึงจราจรทุกทีเราไม่ได้ขึ้นไปเราไม่ได้เนี่ยเลยปล่อยไปตามมีตามกรรมแต่ตอนนี้มันก้าวหน้าถือว่าก้าวหน้าขึ้นไปก็ดีแล้วค่ะเขาก็ได้ข่าวว่าเราจะเราก็ชี้แจงให้เขาฟังว่าเราจะมีองค์ความรู้เรื่องอาหารเพื่อสุขภาพแล้วก็ทีมหมอเขียวก็จะมาทางอาจารย์เขาก็รู้จักหมอเขียวเยอะนะคะก็ยินดีด้วยที่จะมามาร่วมกิจกรรมกับเราค่ะก็คิดว่าคิดว่าคงจะเป็นไปได้ดีอยู่ค่ะ ทำเวทีไหมเนี่ยทำค่ะทำตรงไหนที่เดิมค่ะพ่อครูอ๋อเวทีที่เดิมอยู่ที่หน้าน้ำต ก, กเลยภูเขาเนี่ยแหะเดี๋ยวไปทําเวทีสนนถน น, ถ น, น, ถ น, นขึ้นมันจะยุง่ง <laughs> เวทีตรงนั้นก็ดีแล้วอ้าวต่ออีกนิดนึงอีกเก้านาที <c oughs> อ, อ้าวเ ร, ร, ร<อ>็วคนสุดท้ายงก้นคารวะคนสุดท้ายค่ะขอกาค่ะ<น>ตอนนี้ให้สมณะคารวะคารวะคนสุดท้ายเ อ, อาค่ะขอการอีกเ้านาทีเมือ่อว่าเดี๋ยวอิมไม่ไกี่นาทีเนียนใจค่ะขอเสริมนิดนึงนะคะดิฉันก็เมื่อเมื่อวันพุธที่ผ่านมานี่เป็นสภาของอาชีวะนะคะสภ า, านิสิตนะคะก็ได้ย้ำกับนิสิตทุกคนนะคะว่างานนี้เป็นงานที่เราจะต้องเจอคนกว้างขึ้นมากขึ้นเนี่ย สิ่งที่พ่อครูฝากไว้ก็คือการอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นคนรับใช้นะคะ<ก>ใช้ตลอดการในอันนี้ใช้ตลอดการค่ะก็เลยได้ชี้แจงแล้วก็ย้ำว่าให้ระมัดระวังเรื่องกิริยามารยาทและก็คำพูดนะคะค่ะก็คงจะต้องพูดกันในองค์รวมอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่าเด็กๆ เ, เราจะต้องเจอกับผู้หลักผู้ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยเยอะแยะนะคะค่ะเขาฝากไปแค่นี้ค่ะอ้าวเจนี้นักบวชเชิญ อ้าวทางไหนก่อนฝ่ายยิงฝ่าชายายชายฝ่ายยิงมันนน้อยจังวันนี้เป็นในหมดนะออ้าวฝ่ายชายเลยให้งี้ยนะอ้าวเดี๋ยวไปถึงร้านนะเขาปรกาบพ่อครูครับแต่วันนี้พ่อครูพูดถึงเรื่องของความไม่มีตัวตนซึ่งผมก็คิดว่าความไม่มีตัวตนนั้นก็ต้องเริ่มจากการที่เราต้องมาลดละสักยะิฏิของเราให้ได้ก่อนนะครับ ทีนี้การที่เราจะลดศักยะที่ถีของเราให้ได้ผลสําเร็จนั้นก็คงไม่หนีไม่พ้นว่าเราคงจะต้องกล้าเข้าหมู่บริษัทของเราก็คือกล้าเข้าหาหมู่กลุ่มแล้วก็เรียนรู้จากสมมุติสัจจะของหมู่กลุ่มว่าหมู่กลุ่มเนี่ยมีสมมุติสัจจะอะไรว่าเป็นกุศลนะอะไรเป็นบุญแล้วก็ทำตามหมู่กลุ่มนั้นน ะ, ะพ่อครูเห็นว่าแบบนี้เปลี่ยนความคิดที่ถูกหรือไมครับเนี่ย ในหมู่กลุ่มของพวกเรานะครับผมหมายถึงในกลุ่มชาวโศกเราแต่ทีนี้สิ่งหนึ่งที่ผมมีความสึกว่าอาจจะวิตกก็ได้ครับคอือพ่อครูบอกว่าถ้าเป็นบุคคลภายนอกเนี่ยพ่อครูจะใช้สูบิอะไรน ะ, นะครับแต่ว่าภายในเนี่ยพ่อครูจะใช้อิทธิภาะวะเป็นส่วนมากอย่างนี้ใช่ครับ ทําไมพ่อครูไม่ใช้ภายในเป็น อ, อ, อะไรปุริสภาวะเพาบ้างเลยนะเไม่ได้ไม่ได้พวกเราเนี่เดี๋ยวาตายหมดนคะครับข้างนอกนะ่ะเขาปุริสภาวะได้เพราะว่าข้างนอกเขาไม่ไมไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่าเราไม่ไปถึงไงไม่ไม่ไปเบือวาอะไรกับข้างนอกเขาเราอยู่ข้างในเนี่ยเบือวาข้างในคือบางทีมันจะยืดเยื้อแล้วมันก็จะไม่มีการการจบสิ้นนะฮะ อ๋อมันก็จะมันจะหาความจบในในการในความลงตัวเนี่ยอ๋อมันจะลงตัวเมื่อเวลามันมันขัดเกลากันไปมันสังเคราะห์กันไปบางทีมันก็ค่อนข้างจะนานมากบางทีบางเรื่องเสียหายนานได้ไงล่ะแล้เราก็พยายามให้มันเสร็จสิเราทุกคนถ้ามันมันไม่ลงไม่ลงตัวเนี่ยมันทุกข์ไหมล่ะอ้าวทุกคนอยากให้มันหายมันก็ต้องปรับตัวกันเร็วๆเข้า ปรับตัวเข้าเร็วๆเข้าอะไรควรพอพออะไรควรหยุดหยุดอะไรควรทำทำมันก็เกิดการสังเคราะห์โดยอัตโนมัติขอบคุณมากครับกล <c oughs> ับขอาการพวกเรานี่เข้าใจทำมากกันเยอะดีนะลึกซึ้งกันเยอะเลยในในในช่วงนี้ของชาวโศกพ่อครูพูดถึงสายปัญญาสายเจโตดิฉันก็เลยรู้สึกว่าช่วงนี้ก็เป็นวาระของความโชคดีของชีวิตนะคะ เราก็ได้เจอกลุ่มที่มีกลุ่มก้าวหน้าแล้วก็กลุ่มระมัดระวังนะคะเช่นว่าความระมัดระวังกับความก้าวหน้าเนี่ยต้องไปด้วยกันถ้าก้าวหน้าแล้วไม่ระวังก็อาจจะตกเขวถ้าระมัดระวังแล้วไม่ก้าวหน้าก็อาจจะล้าหลังใช่ไหมฉะนั้นเราก็ได้เจอสองอย่างทีนี้เราจะอยู่ตรงไหนเราจะทํำยังไงเราก็ต้องเลือกเอาสิ่งที่ดีของทั้งสองอย่างเนี่ยตซึ่งมันก็ไม่ใช่ง่ายๆใน ในภูมิปัญญาของเราบางครั้งมันก็อาจจะไม่รอบครอบก็เลยต้องฟังเหมือนที่พ่อครูสอนคุณยาดาค่ะตัวดิฉันก็ต้องอยู่ในภาวะนั้นเหมือนกันนะคะตอนนี้นะคะอะไรมันดีมันถูกเฮ้ก็กลิ้งไปทางนั้นนะคะ <laughs> ขออภัยที่พูดภ า, ภ, า ภ, าภาวะตัวเองนะคะเพราะว่าถ้าพูดถึงจริงๆก็หลายคนก็บอกดิฉันเนี่ยเป็นสายหัวแหลมหัวดีนะคะ <laughs> แต่จริงๆตอนนี้ิตัวดิฉันเนี่ยมันเปลี่ยนไปตั้งแต่การชุมนุมเนะี่ย อยู่ในช่วงหนุ่มด้วยมันเปลี่ยนไปตั้งแต่วันที่เขาลงระเบิดมาที่สิบแปดอะทฉันรู้ตฉันเปลี่ยนไปเลยนะคะหัวดิหัวที่ฉันไม่ค่อยดีเหมือนเก่านะหัวทีฉันเนี่ยมันมันไปเน้นเรื่องบุญไม่ค่อยเน้นเรื่องกุศลฉันนั้นยังหัวไม่ค่อยแหลมเลยฉันเห็นเขาพูดกันเรื่องงานเรื่องอะไรเขาดีที่ฉันก็ช่วยเขานะฉันทำไมหัวไม่ดีเหมือนเก่านะคือที่ฉันไม่ค่อยได้ปรุงเรื่องนั้นที่ฉันจะปรุงแต่ยิ่งทียนฟังเรื่องกลุ่มความคิดเรื่องสังกระป๋าน่ะ ชีวิตฉันจะอยู่กับสิ่งเหล่านี้อยู่กับสังกับปะอยู่กับตัวเองเพราะว่ารู้สึกว่างานนี้มั น, ม, นมันมันมึนเหมือนเหมือนคนขี่จักรยานใหม่ๆอ่ะมันมันทั้งสนุกมันทั้งอะไรอ่ะมันทั้งเหมือนต้องตั้งใจมากไงฉะนั้นบางอย่างเนี่ยพอฟังเราพรพูดก็เห็นใจเออกลัวงานเจจะไม่ทนันพอคุณใบฟ้าพูดก็ยังก็คิดว่าถ้ากลุ่มใหญ่นะตั้งแต่วันจันไปนี่นะตอนที้เข้าคูตุลย์งานนะว่าไม่คิดก็ต้องคิดตามนะคะ คือถ้าตั้งแต่วันจันทร์ไปเนี่ยกลุ่มใหญ่เรามาสวอตร่วมกันก็จริงแต่วันสวอตช่วงบ่ายวันจันทร์เนี่ยอุทยานจะหยุดเราอาจจะต้องไปช่วยกันในบางจุดที่ลูกค้ารับได้เช่นการลอกคลองลอกอะไรมีกลิ่นเหม็นเนี่ยพอบ่ายเราก็มาเรียนร่วมกันคือเดียนก็อยากให้ชาวชุมชนหรือชาวบ้านราศที่เป็นนักศึกษาเนี่ยได้เข้าได้เข้าเข้าเรียนด้วยกันแต่ว่าถึงวันที่ จะต้องไปเตรียมงานเจก็อยากให้ฐานอื่นๆที่เป็นชาวมาจากที่อื่นน่ะนะไม่ใช่มาจากที่อื่นมาจากชาวอาโศกที่มารวมกันเป็นนะักศึกษาเป็นนิสิตเนี่ยไปร่วมกันเพราะว่ารายละเอียดมันมีสูงฉะนั้นถ้าเราจัดจังหวะเวลาเหมือนเราจัดได้เนี่ยเราก็จะมีสองอย่างในตัวคืองานก็สําเร็จแล้วการศึกษาก็ไปเป็นกระบวนการกลุ่มจริงคนเราเนี่ยมันยอมรับการตรงเสียสละนะฮะ ถึงแม้ว่าจะเป็นบอกว่าเป็นสายเจโตแต่เราก็ยังรักคุณอ้อยทำไมเพราะคุณอ้อยเสีสะใช่ไหมคะจะช้าบ้างจะงงบ้างเราก็รักอะ่ะเพราะว่าคนนี้แหละยามยามเข้าตาอับจนคนนี้แหละนะโกยไม่ให้เราหาไม่ให้เราอิ่มท้องก็เพราะคนนี้แหละแต่บางครั้งเราก็มืดมืดนะเออไอ้ทำไมมันหัวดีอย่างนะั้นมันคิดออกนะเรางงตั้งนานนะทำไมเจ้านี้มันคิดดีนะฉันก็เลยคิดว่า มันเป็นวาระในช่วงของความโชคดีนะฮะที่ฉันก็ไม่ค่อยคิดถึงว่ามันขัดแย้งเท่าไหร่นะฮะฉันรู้สึกว่าความขัดแย้งแต่พอเหมาะที่ผู้ครูเคยพูดเนี่ยมันจะทําให้เราเนี่ยตั้งตนเป็นความลําบากแต่ว่าถ้าใครนะตัวดิ่ฉันเองก็ตามอ่ะถ้าอยู่ในช่วงของอ่าอะไรอรุปตาจัดเนี่ยมันจะรู้สึกว่าแป๊บแป๊บมันหนามทิมนะฮะมันเหมือนไม่คล่องแต่จริงๆมันเป็นเป็นตัวตนที่ปรากฏมันเป็นตัวตนที่ปรากฏแต่ที่ฉันว่า มันต้องฟังกันนี่แหละนะภาษารีบุตรก็ยังเครารพพระอัศชิเลยใช่ไหมฮะทั้งที่ภาษารีบุตรเป็นถึงมือขวาก็ยังเครารพพระอัศชิพระอัศชิเหรอมีเหรอจะไม่เคารพภาษารีบุตรท่านไม่ช่างพูดเท่านั้นเองใช่ไหมฮะพระละหันเนี่ยจะรู้สึกว่าให้เกียรติเข้าใจคนอื่นเราก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นวาลังความโชคดีนะขณะเรียนมันก็มีภาคปฏิบัติมาแต่ตัวดิฉันเองก็ขออภัยมันไม่ค่อยหัวดีเหมือนเก่าในเรื่องของการงาน ไม่ค่อยปรุงอะค่ะไม่ค่อยปรุงก็เลยเลยคิดว่าเป็นเหมือนลูกน้องนะเป็นเหมือนลูกน้องที่จะอะไรที่เหมาะสมหรือบางครั้งก็อาจจะค้านแย้งตรงไปตรงมาจริงๆเรื่องงานเจเรื่องชาวบลัลลาดจริงๆตอนนี้นก็ออกไปทั่วประเทศทั่วโลกเลยนะเพราะเราต้องมาพูดกันในไม่ใช่ไหมฮะแต่คิดว่ามันก็ไม่เป็นไรหรอกรายงานความจริงแต่ดีนี้คิดว่าความรู้สึกของคนที่มีกิเลสเนี่ย คว<อ>ามรู้สึกของคนที่มีกีเลสเ่ยโอ๋จไปแฟนเขารู้หมดเราพูดอะไรแล้วเหมือนเราพูดถึงงานเจเนี่ยความรู้สึกของคนที่มีกิเลสเนี่ยเขาจะแรงเขาจะยึดเราในฐานะของคน <c oughs> ที่ได้ตัดกิเลสไปแล้วบ้างเนี่ยเราจะต้องเข้าใจเขาแล้วเราจะต้องทําให้เขาเข้าใจอะทำไงถ้าเราปิดถนนครึ่งหนึ่งเนี่ยแต่ว่าถ้าคนในในทีมของอุทยานเนี่ยอ่อน้อมสมตนใจเย็นไม่เดีเอาแต่ทีิตีตัวเองหรือไม่ชอบโชว์จนเกินไปเนี่ย ก็จะเพลาวความรู้สึกลงไปหน่อยหรือว่าเราจะถอยยังไงให้มันแบบได้จังหวะก้าวยังไงให้ได้จังหวะนะที่คิดว่าพวกเราในฐานะที่จะช่วยพ่อครูนะเราไม่ได้มาทำลายใช่ไหมฮะเราไม่ได้มาทำลายเรื่องของมังสวิรัตซึ่งเป็นแนวหน้าของการการรบของเราเนี่ยฉะนั้นเราก็ต้องฟังซึ่งกันและกันแล้วก็รวมตัวกันแล้วก็ เอออันไหนอันตรายเราก็ระวังอันไหนที่ควรจะก้าวไปเพื่อเปลี่ยนแปลงตัวพวกเราบ้างก็ก็ก้าวไปดิฉันว่าต้องฟังกันน่ะนะไม่ไม่ไม่ให้อลูปะอัตตาเป็นใหญ่มันจะได้ไม่มีเกิดโอราลิกะอัตตาเหมือนที่ทิศพูดนะคะที่นก็พูดบางอย่างก็ใช้ภาษาเพื่อไม่ให้มันโด์เด่นเกิกับข้างนอกนะแ ต, แต่ถ้าเกิดทําไม่ออกอากาศที่ฉันจะพูดให้ชัดกว่านี้นะขอไฟ <laughs> อ๋ อ, ป, อ, อ ป, ปิดแล้ ว, ลวนะ <laughs> อ๋อนายกมาแล้วตัดแล้วออกไม่ต้องออกอากาศอา้าวหมดเวลาแล้วมะอ้าเอา้เอามันทุ่ม20กว่าแล้วจะส0 0แสแล้วนั่น อ, อัขอขออากาศครับอ้าวอ้าอ า, อ า, อาแถมนิดนึงเดี๋ยวไม่ถึงลานเลยลืมเลยว่าจะพูดเรื่องอะไรคือธรรม <laughs> จะเล่าเล่าประวัติให้ฟังนิดหน่อยว่า <laughs> สมัยอยู่ทั้งโลกอนนะเราก็ทำงานล้วก็ใช้ ใช้ความคิดใช้ความสามารถที่จะอยู่กับโลกให้ได้หาเงินหาทองทํางานพยายามจะช่วงชิงหลายสิ่งหลายอย่างมันทุกข์นะอยู่ข้างนอกเนี่ยทุกข์ขนาดว่าเวลานอนกระแทกจะไม่มีนะเวลากินกันนิดหน่อยห้านาทีสินาทีก็ไปแล้วนะแต่พอมาอยู่กับซาอุโศกนะนอนก็ได้นอนมากนะนอนตั้งแต่สามทุมตื่นที่สามนิ ม, ม, ม, มได้ตั้งหกชั่วโมงอะ่ะใช่ไหมกินก็กินเป็นชั่วโมงอะ่ะใช่เป่า งานก็มีเยอะนะเดี๋ยวกงานโน้นเดี๋ยวงานนี่โอ้โหเยอะแยะไปหมดเลยนะแต่ทําไมนะพอมาอยู่ในนี้ทําไมมันมีปัญหาร่องโน้เรื่องนี้อะไรพวกนี้นะกลัวเจ็บป่วยบ้างกลัวไม่มีคนดูแลบ้างไอ้อยู่ข้างนอกอ่ะมันไม่มันมันมันไม่มีเวลาจะป่วยนะเพราะอะไรเพราะว่าใจมันมุ่งที่จะหาไงแต่พอมาอยู่ในนี้มันมุ่งที่จะเฮ้ยมันจะผิดหรือเปล่ามันจะถูกหรือเปล่ามันจะล้าหน้าไหมใครจะดูจะฟ้องอะไรไหม ไม่รู้สิพอมาบวชเนี่ยพอมาอยู่กับพ่อมาอยู่กับพวกหมูก่กุลเนี่ยมันก็จะมีแนวคิดหลายอย่างเหมือนกันนะย่ามาอยู่กับพ่อครูนะอย่างช่วงนี้น ะ, ะพยาบาลเขาจะเขาจะบอกบอกว่าเวลาตื่นนะตื่นที่สนะแต่เวลานอนตอนแรกตกลงว่าสองทุ่มครึ่งหรือ3ามทุ่มให้นอนไม่ใช่หรอกนะได้แค่วันสองวันนั้นนอกนั้นก็สี่ทุมกว่าห้าทุ่มยังสุนัของอาตมาเนี่ยถ้าพ่อครูนอนสี่ทุ่มในตมาจะนอนประมาณ5้าทุ่มนี่ไหม พอครูตื่นตีสี่ธรรมะก็จะตื่นประมาณสักตีสามเนี่ยมันไม่กี่ชั่วโมงอะแต่ก็มันไม่มีปัญหาหรอกเนี่ยเพราะว่ามันมีตัวฝึกไงคือคือถ้าเราตั้งใจแล้วถ้าเราตั้งใจที่จะเปลี่ยนที่จะนั้นเนี่ยมันมันไปได้ร่างกายมันไปได้มันสู้ได้เพราะว่างานเนี่ยมันเท่าไหร่ก็ทําเท่าไหร่ก็ไม่หมดหรอกแต่ว่าถ้าเรารู้รู้รักรู้เพียรรู้อะไรนี้ใจมันก็จะเบาอะแต่ถ้าเรา คิดว่าจะเป็นอย่างน้นคิดว่าจะเป็นอย่างนี้เนี่ยอันนี้ทุกนแน่ๆน ะ, จะเจริญธรรมอ่าออรละได้เวลาสมควรแก่เวลานายกก็ขยันขยันนะโอ้โหตัดของเราเลยเรายังไม่จบเลย